ถ้าคู่ยังไม่ใช่ใจก็คงจริงยากบทที่สเลือกคนที่ใช่หากคุณเป็นคนหลายใจคนนน้นก็ชอบคนนี้ก็เอาแบบนี้เรียกว่าไม่มีใจจริงแต่ถ้าในทางกลับกันแม้คุณจริงใจกับทุกคนที่คบแต่ปีแล้วปีเล่าเอาแต่เจอคนไม่ถูกใจหรือเข้ากันไม่ได้ พยายามทำดีแค่ไหนก็ต้องเลิกกันวันยังคำ่ำแบบนี้เรียกว่าเจอแต่ตัวปลอมเอาละสิคุณจะไปบอกใครอย่างไรดีว่าที่เปลี่ยนบ่อยนั้นเพราะคุณดีแต่เจอตัวปลอมหรือว่าเหล่าตัวปลอมดีแต่คุณยังไม่มีใจจริงให้ใครตกลงตัวจริงกับการมีใจจริงอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังมันจะเหมือนปัญหาโลกแตกอย่างไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกันหรือเปล่านี่ ใจของคนและสัตว์ทั้งหลายพร้อมจะแปลเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับมามองเป็นเหตุเป็นผลง่ายๆถ้าเจอคนที่ใช่ใจคุณก็พร้อมจะจริงแต่ถ้ายังไม่ใช่ใจคุณก็พร้อมจะแกว่งคุณรักเดียวใจเดียวได้ตลอดชีวิตแต่จะบังคับใจตัวเองให้รักจริงไม่ได้เลยถ้าเขาหรือเธอไม่มีความน่าให้รักหรือน่าให้รักแต่ไปกันไม่ไหว คุณคงไม่อยากสงสารตัวเองไปตลอดชีวิตที่ต้องกัดฟันฝืนปฏิบัติหน้าที่สามีหรือภรรยาแสนดีอย่างไม่ขาดตกบกพร่องทั้งที่หัวใจเต็มไปด้วยความแห้งแล้งอ่อนล้าและแหน่งนายมันคงจะดีกว่ากันถ้าคุณมีความรักจริงเป็นแรงบันดาลให้ซื่อสัตย์และแสนดีไม่ใช่ฝืนแสนดีและซื่อสัตย์ไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้บทนี้จะเริ่มจากการแสดงภาพรวมว่า คนเราชอบรีบร้อนด่วนได้หรือไม่ก็อยากได้อะไรที่เกินตัวรู้ทั้งรู้ว่าคนที่ใช่หมายถึงคนที่เหมาะแต่ใจจะไม่รอคนเหมาะเพราะกิเลสสั่งให้หาคนที่ดีที่สุดเร็วที่สุดซึ่งก็นั่นแหละครับเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงไม่เจอคนที่ใช่กันสักทีเมื่อได้ข้อคิดที่ช่วยกระทุงให้หลุดจากความสับสนแล้ว ค่อยไปดูคุณสมบัติของคนที่ใช่กันขอบอกไว้แต่เนินๆว่าหลักการคือหลักการซึ่งให้แนวคิดหรือข้อสังเกตในการมองคนมองตนและมองอนาคตลงเอยใจคุณต้องเป็นผู้เลือกในขั้นสุดท้ายว่าจะเชื่อหลักการหรือเลือกเอาตามความพอใจของตนอันหนึ่งบทนี้เขียนอยู่บนการสันนิษฐานว่าคุณมีอิสระพอจะดูเองเลือกเอง หากคุณติดนียกรรมเก่าให้ต้องถูกคลุมถุงชนหรือต้องแต่งงานด้วยเหตุจำเป็นอันใดก็ตามทีขอให้ถือว่าบทนี้เอาไว้เป็นมาตรวัดว่าคุณพร้อมจะรักคนของคุณสักแค่ไหนด้วยปัจจัยอันใดบ้างนะครับวาฏะความรักความมีสเสน่ห์จะดึงดูดคนเข้ามาหาคุณได้มากแต่ยิ่งมากเท่าไหร่ ก็จะยิงเห็นคนที่ใช่ได้ยากขึ้นทุกทีถ้าคุณอ่านบทก่อนอย่างเข้าใจและทําตามกระทั่งอย่างน้อยเป็นคนมีสเสน่ห์ทางความคิดภายในสองอาทิตย์เป็นอย่างช้าคุณก็น่าจะมีคนอยากเข้ามาใกล้อยากเข้ามาพูดคุยด้วยบ่อยบ่ยบ้างแล้วเพราะโลกมันร้อนใครๆก็อยากเจอสาราริมน้ำไว้พักผ่อนเย็นใจกันทั้งนั้น ประเด็นคือยิ่งเสน่ห์แรงเท่าไรตัวคุณจะยิ่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทั้งคนที่เหมาะและไม่เหมาะเข้ามาหาจนโลกปรากฏคล้ายตลาดสดทางความรักคือตัวเลือกเยอะข้อเปรียบเทียบแยะและใจก็อาจรักที่เสียดายน้องคุณจำเป็นต้องมองย้อนกลับมาที่ตัวเองรู้ให้ได้ก่อนว่าตัวเองเป็นใครเข้ากับคนแบบไหนได้บ้างตลอดจนอยู่กับใครได้ดีที่สุด คุณเป็นใครคำตอบอยู่ที่เข้ากับคนแบบไหนได้และการจะรู้ว่าเข้ากับคนแบบไหนได้ก็จําเป็นต้องคบคนให้มากและใช้ใจตัวเองตัดสินไม่ใช่เข้าไปขอปรึกษานักจิตวิทยาหรือหมอดูที่ไหนการครบหลายคนไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดตราบเท่าที่คุณตั้งระยะห่างไว้ดีพอไม่ได้ให้ความหวังใครเกินเพื่อน และขณะเดียวกันก็อาศัยพวกเขาหรือพวกเธอในการสำรวจตนเองทำความรู้จักตัวเองไปด้วยขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับการเลือกฟังเพลงคนเดียวจะทำให้คุณรู้จักตัวเองดีว่าต้องการฟังเพลงแบบไหนแต่การเลือกฟังเพลงกับใครอีกคนจะทำให้คุณรู้จักตัวเองว่ามีความสุขกับใครในบรรยากาศดนตรีแบบใด เกือบเกือบกล่าวได้ว่าบรรยากาศดนตรีแบบที่คุณชอบฟังกับเขาหรือเธอก็คือความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาหรือเธอนั่นเองเช่นถ้าเพลงหวานทาให้คุณซาบซึ้งละไม่ก็แปลว่าคุณมีอารมณ์โรแมนติกกับเขาหรือเธอได้และถ้ายิ่งเพลงคึกคักสามารถร้องใจให้คุณตื่นเพลิดไปกับเขาหรือเธอได้ก็แปลว่าคุณมีอารมณ์สนุกร่วมกับเขาหรือเธอไหว การที่ใจบอกว่าชอบใครก็เปรียบเหมือนบอกว่าอันใดคือเพลงโปรดในโลกดนตรีคุณมีเพลงโปรดในสต็อกได้เป็นร้อยเป็นพันโดยไม่มีใครว่าแต่ในโลกความรักคุณต้องเลือกเพลงโปรดไว้ฟังเพียงหนึ่งเดียวจึงจะไม่เป็นที่คอรหาการหวานเสน่ด้วยความนึกสนุกหรืออยากลองของใหม่เหมือนเปลี่ยนเพลงตามใจชอบ จะทําให้คุณเปลี่ยนเป้าหมายจากการสแสวงหาคนที่ใช่ไปเป็นคึกค่นองกับการล่าคนที่ดีกว่ายิ่งขึ้นเรื่อยๆคุณจะรู้สึกเบื่อง่ายแบบเดียวกับเบื่อเพลงเห็นว่าคนที่คบอยู่ไม่ใช่ไม่น่าพอใจอยู่ร่ำไปแล้วกลายเป็นคนเลือกมากความอดทนต่ําไม่อยากง้อใครและถึงขั้นอยากเปลี่ยนใจเพียงด้วยเหตุเล็กน้อยคิดว่าตัวเองแน่ จะเอาแค่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จํากัดมีสเสน่ห์ไม่ใช่เพื่อหวานสเสน่ห์ไปเรื่อยเพราะการหวานสเสน่ห์ไม่เลือกหน้าจะเป็นการสั่งสมนิสัยเพื่อหันหลังให้กับรักแท้ต้องเร่งบอกตอนเองว่าคุณกําลังมาผิดทางที่จะพาไปหารักแท้แล้วต่อให้คนที่ใช่ยืนอยู่ตรงหน้าแต่ปะปนกับเหล่าตัวเลือกอีกเยอะแยะสายตาของคุณก็จะเหมือนพล่าเลือนไป แม้แต่คนที่ใช่ก็ถูกมองเป็นหนึ่งในตัวเลือกเหมือ น, อนกันหมดเลือกคนที่จะทำให้ใจคุณนิ่งเพราะความนิ่งจะอยู่ทนอย่าเลือกบางคนหรือหลายคนที่ทำให้คุณกระเจิงเพราะความกระเจิงจะหลอกให้คุณหลงควานต่อไปไม่รู้จบรู้สิน้นแล้วก็ท่องจำให้ขึ้นใจนะครับอย่าเพิ่งให้ความหวังใครก่อนจะรู้จักท่าแท้ความเป็นเขา และรู้ว่าเขาใช่พอจะทำให้คุณจริงมิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาในภายหลังตั้งแต่ศกนาตกรรมทางหัวใจไปจนกระทั่งอัชญากรรมทางเพศให้ได้อายคนอ่านหนังสือพิมพ์กันวาทะความรักอำนาจที่ทำให้ลุ่มหลงส่งมาจากส่วนศกรปรกตรงไหนของร่างกายก็ได้แต่แรงบันดาลที่ทำให้รักจริง ต้องมาจากกลางใจที่ใสพอเท่านั้นแล้วถ้าความใกล้ชิดบังคับให้เผลอใจละ่ะจะทำยังไงจะให้ดูอย่างไรในเมื่อท่าแท้ของคนมักปรากฏก็ต่อเมื่อสนิทกันแล้วคำตอบคือรู้จักกันอย่างเพื่อนสนิทที่ไม่มีสิทธิ์แตะเนื้อต้องตัวเขาก็จะไม่มีสิทธิ์หึงหวง แล้วคุณก็จะได้มีสิทธิเห็นท่าแท้จากความเป็นเพื่อนสนิทนั้นด้วยสรุปคือในขั้นนี้ยึดหลักให้แม่นๆคือถึงมีตัวเลือกมากก็ต้องเลือกเพียงหนึ่งเดียวไม่เช่นนั้นจะลงเอยคือทุกตัวเลือกเป็นปัญหาทั้งหมดไม่ใช่รักแท้ทั้งหมดมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่บ้ากามกว่าเพื่อนเพราะบนโลกนี้นอกจากมนุษย์ก็มีแต่ปลาโลมาเท่านั้น ที่มีเซ็กเพื่อความบันเทิงได้โดยไม่ต้องเลือกรดดูเมื่อพื้นฐานของเราเป็นพวกราคาจัดเสียอยงนี้ก็ควรเข้าใจตนเองไว้แต่เนินเน่นๆว่าคุณมีสิทธิหน้ามืดตามัวยากแยะไม่ออกว่าระหว่างอยากได้กายเข้ามาเสพการามกับอยากได้ตัวเข้ามาเป็นคู่นั้นแตกต่างกันอย่างไรน้อยเสียเมื่อไหร่ที่ผีผามจับคู่เพียงเพราะเสพสมเสร็จแล้วติดใจกัน ทั้งที่ยังไม่ทันดูความเข้ากันได้ในรายละเอียดอื่นๆเอาเลยการจับคู่กันด้วยเหตุผลทางการมรรมหรือเพียงเพราะติดใจรูปร่างหน้าตาอย่างรุนแรงมักลงเอยเป็นโศกนาฏกรรมทางความรู้สึกคือผิดหวังที่เลือกเสียใจที่ไม่ดูให้ดีเสียก่อนที่แรกได้มานึกว่าโชคดีที่ไหนได้กลายเป็นเคราะหร้ายกว่าใครเพื่อน คนเรามักมองที่สัญญาณบอกเหตุง่ายๆตื่นๆแบบเดียวกับคนติดละครเพราะคลั่งคล้ายความสวยหล่อจัดจ้านของดารานำขอให้รูปร่างหน้าตามีอำนาจพอจะสะกดให้เพอ้อได้เถอะเป็นสำคัญไปว่าตัวเองถูกสอนรักปักอกเข้าให้แล้วแล้วหลังจากนั้นค่อยเฟ้นหาเหตุผลต่างๆนานามารองรับว่าคนนี้แหละใช่คนนี้แหละคือที่สุดเรียกว่ามีแต่อารมณ์ทั้งนั้น ที่เป็นตัวบอกว่าเหมาะใช่ดีเอาเลยเข้าใจไว้นะครับว่าถ้าคุณแค่อยากถึงที่สุดทางกายไม่ใช่ปรารถนาจะถึงที่สุดทางใจพอจะพลัดจับผูกถึงที่สุดทางกายกับเขาหรือเธอได้ใจคุณจะไม่เหลือเยื่อใยใดใๆอีกที่สุดของความรู้สึกทางกายนะครับ ก็คือเบื่อกายนั่นแหละอยากทิ้งไปให้พ้นๆส่วนที่สุดของความรู้สึกทางใจจะเป็นความผูกพันลึกซึ้งไม่อยากทอดทิ้งกันไปจนชั่วชีวิตมองแบบนักเศรษฐกามคนคนหนึ่งจึงเป็นได้แค่เพียงวัตถุกรรมแต่หากมองแบบผู้สแสวงหารักแท้คนคนหนึ่งคือเหตุการณ์ไม่ใช่ร่างกายฉะนั้น ถ้าเพิ่งแค่เห็นใครปรากฏตัวยังไม่ถือว่าคุณเห็นเขาหรือเธอเลยอย่าเพิ่งตัดสินว่าคุณชอบหรือชังเด็ดขาดจนกว่าจะเห็นเหตุการณ์อันเกิดจากเขามากพอตอนกำลังจ้องมองสีหน้าสีตาหรือท่าทางของใครสักคนคนเราชอบถามตัวเองนะครับว่านี่ใช่คู่ของเราไหมเรารู้สึกดีกับเขาได้แค่ไหน สารพันจะเอาคำตอบจากใจตัวเองแบบปุบปรับฉับพลันเดี๋ยวนั้นที่ถูกคือควรถามใจตัวเองว่ารู้จักเขาดีหรือยังรู้ไหมว่าเขาทำอะไรมาบ้างเจอปัญหาแล้วเขาแก้ด้วยความรุนแรงหรือละม่อมเป็นพวกไวไฟหรือติดไฟยากกว่าจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดจากเขาคุณต้องใจเย็นใช้เวลามากกว่าเห็นการปรากฏกายหลายเท่าตัว วาทะความรักรู้สึกว่าใช่ไม่จำเป็นต้องใช่โดยเฉพาะถ้าได้ความรู้สึกว่าใช่มาจากการเอาแต่มองด้านดีท่าเดียวเมื่อตระหนักว่าคนคนหนึ่งคือบ่อกเกิดของเหตุการณ์นั่นหมายความว่าเมื่อคุณคบกับคนคนหนึ่ง ก็คือการเอาตัวเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ที่คนคนนั้นสร้างไว้และกำลังจะสร้างขึ้นเฝ้ามองเหตุการณ์เหล่านั้นให้ชัดแล้วค่อยถามตัวเองว่าใจของคุณเข้ากับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ไหมตัดสินในตอนที่ใจคุณสะอาดจากกามไม่ถูกอวัยวะน้อยใหญ่ในเขาส่งแรงดึงดูดล่อตาล่อใจให้ความรักเกิดขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์ดีๆร่วมกับเขา อย่าต้องมาเรียนรู้เมื่อสายไปแล้วว่าการเลือกคบคนแบบใดก็เท่ากับเลือกใจแบบนั้นด้วยสรุปคือความลุ่มหลงรูปกายจะทำให้หน้าตาของเราโง่ลงส่วนการเห็นเหตุการณ์ตามจริงจะทำให้หน้าตาฉลาดขึ้นเป็นคนละคนสิ่งที่ทำให้คนเราโง่เรื่องความรักก็ไม่มีสิ่งใดเกินไปกว่าการ ส่วนสิ่งที่จะทำให้คนเราฉลาดเรื่องความรักก็ไม่มีสิ่งใดเกินไปกว่าใจที่ใสและเย็นลงแล้วคนเราชอบรักแท้ในฝันประเภทแรกพบศบตาตลึงงันเหมือนต้องมนต์สาบให้แน่นิ่งอันนี้ต้องระวังเลยนะครับมีคนหล่อคนสวยที่เจนเวทีอยู่พวกหนึ่งสามารถสร้างมายาจิต คือทาจิตแบบหนึ่งที่ก่อให้เกิดกระแสพาฝันคุณจะรู้สึกว่าโลกนิ่งงันเพื่อเป็นนาทีพิเศษสำหรับการพบคู่แท้แต่ที่จริงไม่ใช่อะไรเลยเขาหรือเธอเจอใครน่าสนใจหน่อยก็แผ่พลังพาฝันอย่างนี้กับทุกรายโดยมีความงามแห่งรูปเป็นศูนย์กลางพิธีสะกดจิตถ้าใครรู้ไม่ทันก็เสร็จเจอบ่วงสเสน่ห์คล้องคลอหนีไปไหนไม่รอด ต้องเฝ้าคิดถึงอย่างทุรนทุรายตั้งแต่เช้ายันคำ่ำชีวิตคนบางคนเหมือนความฝันไม่ควรที่จะเอาความจริงในชีวิตคุณไปยุ่งด้วยเพราะจะลงเอยเป็นชีวิตครึ่งหลับครึ่งตื่นหาความสุขที่แท้จริงไม่เจอสิ่งที่ทําให้คนเราติดกับตั้งแต่เริ่มต้นนั้นนอกจากความงามแห่งรูปแล้วก็เห็นจะได้แก่ความดูดีไปหมด หรือคุณสมบัติที่ถูกใจอะไรอะไรแบบที่เคยอยากได้มารวมอยู่ในเขาหรือเธอในโลกความจริงอะไรที่ดูดีดูกันเกินจริงนั้นมักเป็นกับดักมากกว่ารางวัลคุณหลงดีใจวัตะครุกรางวัลแต่ที่สุดอาจต้องแหกปากร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อพบในภายหลังว่าที่แท้มันเป็นเพียงกับดัก ถ้าถูกใจเสียอย่างคนเราพร้อมจะเชื่อง่ายอยู่แล้วเขาสร้างภาพอะไรให้มองก็เชื่อว่าเห็นตัวจริงของเขาแล้วจากภาพนั้นเหล่ามนุษย์มักตาบอดเพราะชอบทึพทักเอาเองว่าเห็นอะไรมาและที่ตาจะสว่างได้ก็เพราะยอมทบทวนดีๆว่ามีอะไรให้เห็นบ้าง ความไม่มีญาณอย่างรู้จะทำให้คุณมองคนจากหน้าตาและวาจาในช่วงแรกครบแต่ถ้ากรรมเก่าในชาติก่อนของเขาดีเกิดมาชาตินี้ก็จะดูดีน่าเชื่อถือแต่คุณจะทราบว่ากรรมใหม่ของเขาเหมือนเดิมหรือต่างไปก็ต้องคุยกันนานๆเห็นพฤติกรรมไปนานๆอย่าเพิ่งด่วนสรุปตั้งแต่ช่วงต้นการจะดูว่าใครเป็นนักสร้างภาพ ชอบพูดอะไรให้ตัวเองดูดีนั้นไม่ยากเพราะนักสร้างภาพมักพูดไม่เป็นธรรมชาติอยู่ใกล้แล้วอึดอัดหรือแสดงพฤติกรรมขัดแย้งกับคำพูดอันสวยหรูของตนเสมอเสมอแต่ความเข้าข้างตัวเองของคุณอาจช่วยให้งานของนักสร้างภาพราบรื่นขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นกันมากคือถ้าคนเจ้าชู้มาบอกว่าจะเลิกเจ้าชู้เพื่อคุณ ความโน้มเอียงก็คือคุณจะภูมิใจและอยากเชื่อเขาในขณะที่คนทั้งโลกเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่มีทางเป็นไปได้และที่สุดของที่สุดนะครับเขาสร้างภาพไม่น่ากลัวเท่าคุณสร้างภาพให้เขาเองอย่างเช่นไปเหมาว่าเขาแสนดีอย่างนี้ทึกทักว่าเธอสูงส่งปานนั้น คุณสมบัติแบบเทพบุตรเทพธิดาในฝันอันใดที่คุณอยากเจอคุณประเคนให้ใครคนหนึ่งหมดสิ้นแบบนี้จะตาสว่างยากเพราะต่อให้เขาสารภาพกับปากว่าตนเองเลวซามต่ำช้าสามานปานงูเห่าคุณก็จะชมว่าเขาช่างถ่อมตัวไปซสนั่น <Seriously> เมื่อทำความรู้จักกับใครคนหนึ่งให้ตังกาศไว้เลยว่า ตัวตนของคนคนนั้นสร้างขึ้นจากกรรมขาวและกรรมดำถ้าใครสามารถทําแต่กรรมขาวอย่างเดียวไม่ต้องทำกรรมดำเลยก็คงไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์แล้วเมื่อคิดได้อย่างนี้คุณจะได้ไม่ตั้งความหวังให้คนคนหนึ่งไว้สูงจนเกินจริงและที่สำคัญคือจะได้ไม่ต้องหลงภาพฝันที่วาดขึ้นเองหลงหัวปักหัวปาเอง และผิดหวังช้ำใจเองสรุปคือถ้าปากใจว่าใครใช่เพราะดีไปหมดให้ชะลอการตัดสินใจไว้ก่อนและบอกกับตัวเองว่าถึงตอนนี้คุณเห็นสิ่งดีๆที่ทำให้รู้สึกว่าเขาใช่แล้วขอเวลาอีกสักนิดเพื่อมองให้เห็นข้อติที่จะทำให้รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เสียก่อน เพื่อที่แม้ภายหลังจะรู้ตัวว่าเลือกพลาดก็จะได้ไม่เสียใจมากเพราะเห็นทั้งด้านดีด้านร้ายของคนรักตามจริงแล้วเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ใช่ลุ่มหลงมัวเมาแบบลืมหูลืมตาไม่ขึ้นท่าเดียวซื้อเมื่อไหร่ความรักมากมายล้มเหลวก่อนที่จะเริ่มต้นจริงจังด้วยซ้ำเหตุผลคือไม่อาจทนข้อเสียใหญ่น้อยของอีกฝ่ายไว้ธรรมดาของคนเราเนี่ยนะ ขอให้อยู่ใกล้ใครเถอะจะจารณาได้หมดแล้วว่าเขาหรือเธอมีข้อเสียอันใดบ้างแต่ให้เจอข้อดีเพียงหนึ่งเดียวนี่แสนลำเค็นนั่นก็เพราะข้อดีเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาส่วนข้อเสียไม่ต้องหาก็เห็นได้ตั้งแต่เจอหน้าตาหรือมองเนื้อตัวแล้วหากคุณเป็นพวกรู้สึกว่าตนเองเลิศเลอสมบูรณ์แบบ ก็เท่ากับยืนอยู่ตรงใจกลางปัญหาเลยทีเดียวเพราะแนวโน้มคือคุณจะมองหาคนที่เลิศเลอสมบูรณ์แบบไร้ที่ติไปทุกด้านเพื่อพบว่าคนแบบนั้นไม่เคยมีอยู่ในโลกทุกคนเป็นไปตามกรรมกรรมบันดาลทุกสิ่งทีนี้ลองดูว่ามีใครบ้างที่ทำดีได้ตลอดเวลาพูดดีได้ตลอดเวลา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 ห้ามใจไว้อย่าได้คิดแย่ๆอย่าได้พูดแย่ๆอย่าได้ทําแย่ๆเลยสักนิดถ้าทําได้ก็นั่นแหละครับมเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นคนครบสูตรไร้ที่ติในชาติหน้าแต่ถ้าทําไม่ไหวก็ต้องถามตัวเองว่าจะให้ไม่มีส่วนแย่ในคุณหรือคนอื่นเลยอย่างไรได้และอันที่จริงก็ไม่มีใครตอบถูกด้วยซ้าว่าดีไร้ที่ติเป็นอย่างไร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 ก็คือการหลงงมเข็มที่ไม่เคยตกลงไปในมหาสมุทรข้อเสียที่เป็นข้อเสียจริงๆนั้นถึงอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนพลิกมุมมองอย่างไรมันก็เป็นข้อเสียวันยังค่ำเพาะรบกวนหรือเบียดเบียนกันอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นขี้เมาอรารวาสติดพนันงอมแงมไม่ยอมทำงานรีดไถผัวเมีย เอะอด่ากันก็ส่งเสียงดังแปดบ้านขุดพ่อล่อแม่หรือกระทั่งตบตีกันแบบไม่ยั้งมือเหล่านี้ทุกชาติทุกภาษายอมรับตรงกันไม่อาจเห็นเป็นอื่นแต่ยังมีข้อเสียอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ข้อเสียจริงๆทว่าเป็นข้อด้อยที่คุณไม่อยากยอมรับเช่นโครงสร้างร่างกายบางส่วนดูผิดฝาผิดตัวไม่สมส่วน หรือกระทั่งไม่สมประกอบทำให้คุณเกิดความอับอายขายหน้าในที่สาธารณะต้องเดินควงไปกับคนตัวงอไม่สง่าผ่าเผยพยายามยืดหลังให้ตรงก็ได้เดียวเดียวเป็นต้นโจทย์คงไม่ใช่เห็นข้อเสียหรือข้อด้อยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคิดว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีแต่คุณต้องรวมข้อเสียและข้อด้อยใหญ่น้อยทั้งหมดของเขามาชั่งน้าหนักว่าผลักดันให้คุณอยากออกห่าง หรือว่ายัางไม่อาจเทียบกับความรู้สึกดีๆที่เขาดึงดูดคุณไว้ได้เอาง่ายๆตอนคนคิดถึงเขาคนคิดถึงข้อดีหรือติดข้องอยู่กับข้อเสียของเขามากกว่ากันนั่นแหละคือน้ําหนักที่ใจคุณช่างเอาไว้ตอบตัวเองแล้วโดยไม่ต้องมานั่งยากยะเป็นข้อๆด้วยซ้ําสรุปคือไม่ว่ากับใคร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 สิ่งที่คนเพิ่งรักกันดูเหมือนน่าจะมีคือความพร้อมจะรักแต่สิ่งที่ทุกคนมีอยู่แน่คือความพร้อมจะร้าย เมื่อใดคนสองคนเริ่มรักกันก็แทบรอดูได้เลยว่าใครจะเป็นฝ่ายเอาเปรียบและใครจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือหนักกว่านั้นคือรอดูไปเถอะว่าใครจะรังแกใครพฤติกรรมที่เห็นได้ทั่วไปเมื่อตกลงปลงใจเป็นคู่รักกันแล้วจะประมาณว่าข้าทำกลางได้แต่แกห้ามทำข้าพูดบนได้แต่แกห้ามพูดข้าคิดนอกใจได้ แต่แกห้ามแม้แต่แอบคิดเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนั่นเป็นเพราะหญิงชายส่วนใหญ่เป็นคู่รักกันแต่ในานามที่ถูกจะต้องเรียกว่าเป็นคู่เวรมากกว่าคืออยู่กันเพื่อผูกเวรหรืออยู่กันเพื่อเป็นภัยต่ออีกฝ่ายอย่างมากก็แค่เอาความรักความหวานชื่นนิดๆหน่อยๆมาบางหน้าพอเป็นพิธีคู่เวรกับร้อยทั้งร้อยแทบจะก๊อปมาจากพิมพ์เดียวกัน นันคือแรกๆอะไรดูดีไปหมดจะจ๋าตลอดแต่เมื่อรายชักเริ่มชินกลายเป็นของตายในมือแล้วฝ่ายที่ถือไพ่ในมือเหนือกว่าจะเริ่มออกลายก่อนพูดให้ฟังง่ายนะครับส่วนที่ดีในตอนแรกมักแย่ลงในตอนหลังแต่ส่วนแย่ที่แผลมไว้ตั้งแต่ในช่วงแรกมักยิ่งแย่หนักขึ้นอีกในช่วงต่อๆมาฉะนั้น ถ้าจะดูคนก็ให้จับตาดูตั้งแต่ช่วงแรกนั่นแหละเขาเอาเปรียบคุณอย่างไรบ้างคุณทนให้เขาเอาเปรียบแบบนั้นได้ไหมอย่าฟังคำสัญญิงสัญญาว่าจะค่อยๆปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเพราะจากสถิติแล้วน้อยมากที่จะทำได้ตามสัญญาแท้จริงแล้วคู่รักตามความหมายดั้งเดิมคือคู่หญิงชายที่หาได้ยาก มีความเสมอต้นเสมอปลายที่จะเอาใจกันตั้งแต่เริ่มคบหาจนตายจากแน่นอนครับว่าไม่มีใครทำอะไรให้กันเท่าเทียมเป๊ ะ, ปะแต่อย่างน้อยก็ต้องเท่าเทียมทางความรู้สึกคือทำให้แต่ละฝ่ายรู้สึกว่าเป็นคนรักของกันและกันไม่ใช่ปล่อยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าฉันจะเอาแกเป็นขี้ข้าละ่ะฉันจะเอาเธอเป็นนางบาเรอละ่ะเราขอทีนะครับ เรื่องลองใจอยากทดสอบดูว่าเขาหรือเธอจะห่วงคุณแค่ไหนทำอะไรเพื่อคุณได้มากเพียงใดประเภทจะดูว่ายอมทิ้งเพื่อนเพื่อไปกับคนสำคัญอย่างคุณหรือเปล่าอย่าได้ทำเลยเป็นอันขาดเพราะค่าของคุณจะค่อยๆหมดไปกับความเห็นแก่ตัวที่คุณแสดงออกมาแต่ละครั้งอยากให้เขาเอาใจแต่ไม่เคยเอาใจเขามาใส่ใจตน อยากให้เขาเห็นค่าของคุณเกินใครแต่ไม่เคยเห็นค่าของเขาเกินคนใช้ที่ต้องคอยกุมเป้าเฝ้าบริการสรุปคือหาคนที่เขาเอาใจใส่เทคแคร์คุณตั้งแต่เริ่มคบกันก็ดีเพราะถ้าตั้งต้นขึ้นมาไม่เอาใจแนวโน้มคือเขาจะไม่เอาใจคุณเลยตลอดไปและในทางกลับกันคุณสามารถรู้ใจตัวเองว่าจริงกับเขาแค่ไหน ก็ตรงความเอาใจใส่ที่มีให้เขานี่แหละเพราะความรักจะขับดันให้คุณอยากเอาใจใส่เสมอถ้าไม่มีแกวใจอยากทำอะไรให้เขาหรือเธอเลย mm. ก็แปลว่าความรักอาจไม่ได้อยู่ตรงนั้นตั้งแต่ต้นแล้ววาทะความรักรักคนมีเจ้าของอย่ามองหน้าอยากหายบ้าให้จ้องเทา้า ถ้าตัวเลือกของคุณมากนะักการเจอคนมีเจ้าของและนับว่าดีเหมือนกันคือสบายใจได้เลยว่าไม่มีสิทธิ์แน่คัดออกไปไม่ต้องเอามาเป็นหนึ่งในตัวเลือกได้เลยแน่ๆอย่าตั้งความหวังรออย่าให้ความหวังเขาและอย่าทำตัวเป็นตัวแปรคุณกําลังหาคนที่ใช่ฉะนั้นอย่าหลงหวังรอแบบผิดๆตอกย้ำทาความเข้าใจกับตนเองว่าคนที่ใช่ จะมาเจอกันในเวลาที่คุณไม่มีสิทธิ์ได้อย่างไรครบไปรังแต่จะมุ่งหน้าสู่ดงนิ้วกันปเปล่าๆจริงอยู่ครับมีอยู่จริงๆที่เป็นคู่บุญติดตามกันมาหลายภพหลายชาติแต่ดันไปนเป็นของคนอื่นเสก่อนแล้วก็ต้องเกิดความทรมานใจกันแต่ขอให้จำไวเ้เถอะต่อให้ครองคู่กันมาเป็นล้านชาติก็หาได้ทาให้ชาตินี้ใช่เหมือนชาติอื่นๆไม่ ในเมื่อพลัดไปมีเจ้าของเสียก่อนแล้วให้เร่งรู้ตัวไว้เสียว่าบาปบางอย่างที่ทำไว้ร่วมกันสกัดกั้นไว้ไม่ให้ร่วมเรียงเคียงกันอีกในชาตินี้เพื่อล่อลลงให้พวกคุณประพฤติผิดประเวณีกันหรืออ้อนวอนให้อีกฝ่ายทรยศคู่ครองซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มน้ำหนักบาปให้ความสำคัญข้ามพกข้ามชาติเข้าไปใหญ่คนเราเข้าคู่กันก็ด้วยกาลังบุญ แล้วก็แยกคู่กันด้วยกำลังบาปคุณจะครองคู่กันเป็นสุขด้วยหนทางแห่งบาปเวรได้อย่างไรเว้นแต่พวกเขาจะเลิกกันเองโดยคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแม้ส่งสัญญาณยักคิ้วหลิวตาใดๆอันนั้นค่อยเป็นอีกเรื่องนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับใส่เกียร์ถอยลูกเดียวห้ามล่วงล้ำไปข้างหน้าอีกแม้แต่หนึ่งคืบหากปวดแสบปวดร้อนทรมานใจเพราะต้องเจอหน้ากัน ก็ให้พิจารณาว่าใบหน้าคนเราเป็นศูนย์กลางความดึงดูดจ้องมองใกล้ๆหรือแอบมองห่างๆหังแต่จะทรมานเปล่าให้เปลี่ยนเป็นจดจ้องเท้าเขาหรือเธอให้มากๆภาพที่กระทบตาจะได้กระแทกใจบ่อยๆว่าคุณกำลังไฟต่ำหาเรื่องใส่ตัวและอาจโดยอวัยวะเบื้องล่างของใครกระทืบเอา นานไปพอไม่เห็นหน้าเห็นแต่เท้าอยู่เรื่อยใจคุณก็เลิกยึดมั่นถือมั่นคลายมนต์สะกดแห่งบาปเวรที่ผูกมัดกลายเป็นอิสระโล่งอกไปได้เองครับสรุปคือคนมีเจ้าของไม่ใช่คนที่ใช่แน่ๆถ้าคุณฝืนจะยื้อมาก็เท่ากับเอาคนที่ไม่ใช่มาบทบางคนที่ใช่ซึ่งอาจกำลังเดินตามหลังมาแค่ไม่กี่ก้าวก็ได้ ถ้าคุณเคยอ่านหนังสือเล่มเดียวสองรอบแล้วรู้สึกต่างกันราวกับอ่านหนังสือคนละเล่มรอบแรกรู้สึกว่าไม่เห็นจะเอาไหนแปลกใจทำไมใครตัวใครถึงชอบกันแต่รอบที่สองกลับรู้สึกมีอารมณ์ร่วมยิ่งอ่านยิ่งตาสว่างประสบการณ์ทำนองนี้แหละที่เป็นตัวอย่างบอกคุณได้ว่าคนเราไม่พร้อมจะรับสิ่งมีค่าเสมอไป ถ้าเห็นค่าของคนที่มีค่าไม่ได้คุณก็จะไม่มีวันเจอคนที่ใช่เลยต่อให้เขาหรือเธอนั่งอยู่ตรงหน้าก็ตามและนั่นก็ทำให้คนจำนวนมากต้องมานั่งเสียดายอดีตเต้าย้าคิดอยู่เสมอว่าขอเพียงเจอคนบางคนอีกครั้งจะเทคแคร์เขาหรือเธอสุดชีวิตจะไม่ปล่อยให้หลุดมือไปซ้ำสองอีกอย่างเด็ดขาดแต่นั่นแหละเวลาเป็นสิ่งย้อนทวนไม่ได้ เมื่อครั้งนั้นไม่พยายามรักษาเขาหรือเธอไว้ปล่อยให้หลุดมือไปแล้วก็สายไปแล้วนี่คือข้อคิดควรจำที่จะทำให้คุณปลงตกนะครับถึงคนที่ใช่แต่เวลาไม่ใช่ก็แปลว่าไม่ใช่ว่าทะความรักคู่เทียมเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้ แต่คู่แท้ต้องเจอในจังหวะที่พร้อมจะรักกันจริงเท่านั้นเวลาที่ใช่ของแต่ละคนต่างกันหากคุณเป็นเด็กหนุ่มที่หาเงินใช้เองได้ตั้งแต่อายุ17ก็แปลว่าคุณพร้อมจะรับผิดชอบครอบครัวตั้งแต่ยังงวัยรุ่นแต่หากคุณเป็นชายวัย40และยังต้องแ บ, บมือขอตังค์พ่อแม่ ไม่มีหลักแหล่งพักพิงอาศัยของตนเองต้องอาศัยบ้านญาติอยู่แถมยังขี้เกียจตัวเป็นขนอย่างนี้แปลว่านานแค่ไหนคุณก็ไม่พร้อมจะพบรักแท้เอาเลยเพราะแม้มีเมียเมียก็จะอยู่กับคุณแบบหมดอะไรตายอยากไปวันๆไม่อาจอยู่ร่วมกันด้วยความรู้จักรักเป็นแน่หรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่กาลังอยู่ในช่วงกลางโลกคบทัวมัวแลก ไม่มีแก่ใจมองโลกในแง่ดีอารมณ์ปรวนแปรผันผวนเอาแต่ใจตัวสุดๆเห็นบรรดาชายหน้าโง่เป็นตู้เอ m เอมอย่างเดียวแบบนี้อยู่กับใครเขาก็อยากทิ้งภายในสาวันเจ็วันครับต่อให้แรงดึงดูดทางเพศสูงขนาดไหนก็เถอะผู้หญิงดีๆส่วนใหญ่ฝันอยากมีรักเดียวเป็นของผู้ชายคนเดียวไปตลอดชีวิตไม่อยากเป็นของเล่นที่ถูกเปลี่ยนมือไปเรื่อยแต่ในโลกความเป็นจริง ความขาดประสบการณ์ในเรื่องรั ก, รกๆใคร่ๆจะทำให้ทั้งชายทั้งหญิงไม่รู้ประสีประษาคือยังดิบๆอยู่นึกว่ามีอีกฝ่ายไว้เอาใจตัวเองผ่อนตรนประณีประนอมไม่เป็นเห็นอะไรขัดหูขัดตาจะดูคอขาดบาดตายไปหมดฉะนั้นควรทำใจยอมรับความจริงกันน้อยเท่าน้อยครับในโลกนี้ที่เจอแล้วปิ๊งกันตั้งแต่เด็กอยู่คู่ไม่ยากจากกันเลยจนตาย คือมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่อย่าหวังว่าจะเจอแจ็คพอตเป็นคุณกับคนรักทานองเดียวกับที่ไม่ควรหวังให้มากนักว่าจะถูกลอตเตอรี่นั่นแหละประสบการณ์ทางความรักในอดีตจะเป็นทั้งบทเรียนเป็นทั้งแบบฝึกหัดหรือเป็นทั้งการสอบไล่เพื่อผ่านมาถึงตัวจริงกล่าวคือพอถึงเวลาเจอตัวจริงคุณจะเป็นผู้ใหญ่พอ หรืออย่างน้อยต้องมีความคิดอ่านมากพอจะรู้ว่าคนที่มีค่าสำหรับคุณคือคนที่เหมาะสมกับคุณและจะทำให้คุณเป็นสุขในระยะยาวไม่ใช่เอาแต่ฝันแบบเด็กวัยรุ่นว่าคู่ของฉันจะต้องจ้าสุดเดินควงแล้วเพื่อนๆ อ, อิดชาตาร้อนกันใหญ่อะไรทำนองนั้นสรุปนะครับถ้าคุณกำลังเป็นลูกแง่กาลังเป็นเด็กขี้แย กำลังช่างฝันจะเอาแต่อะไรดีๆกำลังใจแกว่างง่ายเห็นใครดีกว่าก็ชอบกว่ากำลังเที่ยวแบมือขอตังใครต่อใครหรือหนักกว่านั้นคือกำลังเป็นบ้ากำลังขี้เมากำลังอยู่ในบอนพนันไม่เห็นตะวันและดาวเดือนอย่างนี้ไม่ใช่จังหวะเหมาะจะเจอคนที่ใช่หรอกครับคนที่ใช่อาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่เขาจะไม่มาในเวลาที่คุณยังอยากย่ำอยู่กับที่เป็นอันขาดถึงตรงนี้คุณคงพอเห็นเป็นแนวว่าเขาหรือเธอที่คุณรักอาจไม่ตรงกับเจ้าชายเจ้าหญิงในความฝันของคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นอย่าเริ่มกวาดตาหาคนที่เหมือนฝันแต่ให้มองดูคนที่มาในเวลาเหมาะด้วยความใจเย็นและที่สาคัญนะครับ อย่าให้เสียงนกเสียงการอบข้างมีอิทธิพลกับการตัดสินใจของคุณแต่ขณะเดียวกันก็อย่าละเลยเสียงทักของเพื่อนแท้ให้รับฟังและเก็บไว้เป็นข้อมูลภายนอกและนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลอันได้จากประสบการณ์ตรงจึงคอยช่างใจกับทั้งตัดสินใจด้วยตนเองว่าคุณจะเอาแน่ไหมเพราะที่เหลือต่อจากนั้นคุณเองนั่นแหละ ที่จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดที่กำลังจะกล่าวต่อไปน่าจะช่วยให้คุณช่างใจได้อย่างมีหลักเกณฑ์มากขึ้นครับ าธะความรักแรกพบศพตาแค่มายาปัญหาที่ตามมาคือของจริงหัวข้อความรู้สึกในช่วงแรกครบคนเราใช้ชีวิตตามความรู้สึกไม่ได้ใช้ชีวิตกันด้วยความรู้ตัวถ้าอยากทำอะไรน้อยคนจะยั้งคิดถึงเหตุผลควรไม่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งที่กระตุ้นให้อยากนั้นมีพลังดึงดูดของราคะเข้ามาเกี่ยวข้องมามองกันง่ายๆว่าช่วงที่เป็นคนเพิ่งรู้จักกันจะก่อความรู้สึกขึ้นได้สองอย่างคือดึงดูดหรือไม่ก็ผลักออกความรู้สึกดึงดูดหมายถึงความชื่นชมอยากมองอยากฟังอยากอยู่ใกล้ชิดตลอดจนอยากมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งด้วย ส่วนความรู้สึกผลักออกหมายถึงความรังเกียจอยากเมินอยากห่างตลอดจนปั่นป่วนมวนท้องเพียงแค่คิดว่าจะต้องมีอะไรทางเพศกันความจริงก็คือแต่ละคู่มีแรงดูดและแรงผลักปนอยู่ด้วยกันทั้งสองแรงคงจะดีถ้าทราบเบื้องหลังให้ละเอียดเพราะเมื่อเข้าใจว่าทำไมคุณถึงรู้สึกกับใครคนหนึ่งอย่างที่กาลังเป็น ก็จะช่วยลดความสับสนลงตลอดจนมีสายตากว้างไกลเห็นเหตุผลว่าปัจจุบันมาจากไหนและมีแนวโน้มแบบไหนต่อไปในอนาคต 1. ความดึงดูดระหว่างธาตุชายมีความเป็นธาตุดินและธาตุไฟโดยฐานคือแข็งและร้อน ส่วนหญิงมีความเป็นธาตุน้ำและธาตุลมโดยฐานคือเย็นและอ่อนไหวชายหญิงจึงเป็นขั้วตรงข้ามกันและธรรมชาติของขั้วตรงข้ามก็ก่อให้เกิดแรงดึงดูดเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับแม่เหล็กต่างขั้วเข้าใกล้กันจะดึงดูดกันเหตุนี้ชายหญิงจึงเกิดความรู้สึกทางเพศได้แม้ไม่เคยรู้จักกัน กับทั้งไม่จําเป็นต้องมีคุณสมบัติหรือรูปสมบัติใดๆที่เหมาะสมกันเลยความเป็น่าตชายทาตหญิงนั้นไม่ได้นับเอาเฉพาะสิ่งที่จับต้องได้ทางกายอย่างเดียวแต่ยังหมายรวมเอาแบบแผนทางความรู้สึกนึกคิดเข้าไปด้วยเช่นชายมักเอาดีทางศาสตร์ที่ต้องใช้เหตุผลและความคิดเป็นระบบส่วนหญิง มักเอาดีทางศาสตร์ที่ต้องใช้อารมณ์และจินตนาการเป็นสำคัญฉะนั้นในทางความรู้สึกโดยทั่วไปชายหญิงจึงเป็นเสมือนส่วนเสริมเติมของกันและกันเป็นความรู้สึกครบของกันและกันความแข็งแรงที่ถูกเติมเต็มในฝ่ายหญิงกับความอ่อนโยนที่ถูกเติมเต็มในฝ่ายชายจะทำให้พวกคุณรู้สึกพอดีไม่ขาดเหมือนตอนอยู่ตามลาพังและไม่เกิน เหมือนตอนอยู่กับเพื่อนเพศเดียวกันหากฝ่ายชายมีธาตุแห่งความเป็นบุรุษมากเช่นบึกบืนล่ำสันทรหดอดทนมีไฟในการเอาชนะและฝ่ายหญิงมีธาตุแห่งความเป็นสตรีมากเช่นแบบบางแน่งน้อยน่าทนุถนอมเย็นและอ่อนโยนได้เหมือนน้ำในยามเกิดเรื่องเมื่อพบกัน ย่อมดึงดูดกันด้วยความรู้สึกทางเพศที่ลุกลามรวดเร็วเกินธรรมดากับทั้งดึงดูดใจกันและกันได้นานกว่าพวกที่มีธาตุประจำเพศน้อยสรุปคือแค่เป็นชายเป็นหญิงก็มีแรงดึงดูดเข้าหากันอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจอพวกสเสน่ห์เร้าใจสูงความหน้ามืดจะทำให้คุณแยกไม่ออกและอาจโมเมทึกทักว่าเป็นคู่บุญของคุณ อย่างไร้าความกังขาทั้งที่ความจริงอาจใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ 2. ความไม่เข้ากันระหว่างธาตุด้วยความเป็นธาตุดินกับธาตุไฟของชายและด้วยความเป็นธาตุน้ากับธาตุลมของหญิงตามธรรมชาติจึงมีความเข้ากันไม่ได้อยู่โดยเดิม ความไม่กลมกลืนนี้เองส่งผลให้เกิดแรงผลักไสเมื่อเข้าประชิดติดพันนานเกินไปร่างกายชายหญิงจึงเป็นแม่เหล็กที่มีความพิสดารกว่าแม่เหล็กธรรมดากล่าวคือแม้จะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดกันในเบื้องต้นแต่ก็อาจกลับหกพันผลักดันกันในเบื้องปลายคือจะเบื่อหน่ายร่างกายกันและกันในเวลาไม่นานหลังการได้เสีย หากรูปทรงไม่เย้ยยวนชวนรันจวนใจก็แทบไม่อยากแม้ชายตามองด้วยซ้ำและด้วยความที่ฝ่ายชายมักมุ่งคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลแจ่มชัดส่วนฝ่ายหญิงมักมุ่งคิดแบบอิงอารมณ์ละเอียดอ่อนยืดหยุ่นได้นานไปย่อมทวีความเข้ากันยากไม่สอดคล้องกันมากขึ้นทุกทีกระทั่งไม่อยากแม้แต่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสักคำเดียว หากมีธาตุทำความรู้สึกนึกคิดต่างกันมากๆเช่นฝ่ายชายเอาแต่เหตุผลตรงไปตรงมาเข้าว่าแข็งทื่อไร้อารมณ์เป็นไม้กระดานส่วนฝ่ายหญิงจะเอาอารมณ์ความรู้สึกมาเป็นแกนนาแถมโอนเอ็นไปมาง่ายยิ่งกว่ายอดหญ้าเมื่อพบปะพูดคุยกันเพียงไม่นานก็จะรําคาญกันและกันไม่ต้องรอให้ครบนานก็อําลาด่วนแล้ว สรุปคือแค่เป็นชายเป็นหญิงก็มีแรงผลักออกจากกันแฝงอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ า, าธาตุนิสัยแตกต่างกันแบบสุดขั้วราวกับยืนอยู่คนละข้างเวทีมวยคุณก็อาจเมินไม่รับไว้พิจารณาเอาเลยแม้ในความเป็นจริงถ้าคุยกันดีๆแค่รอบเดียวความรู้สึกก็อาจพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือไปเลยก็ได้ 3. ความดึงดูดกันด้วยอำนาจบุญบุญเป็นธรรมชาติด้านสว่างบรรดาให้เกิดผลด้านดีฉนั้นคู่ที่เคยร่วมบุญกันมามากในชีวิตก่อนยอมได้ร่างกายและจิตใจในชีวิตนี้ที่ดึงดูดกันและกันพอใจกันและกันกับทั้งเป็นสุขเมื่อมีกันและกัน อำนาจของบุญมีพลังยิ่งกว่าพลังใดๆในจักรวาลอะไรอื่นเช่นพลังจากอาหารอาจสร้างเลือดสร้างเนื้อตลอดจนช่วยให้เราขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้แต่บุญนั้นถึงขั้นบรนดานรูปชีวิตดีๆได้หรือขับเคลื่อนรูปชีวิตให้พัฒนาขึ้นได้จนกว่าจะหมดกำลังนั่นหมายความว่าบุญที่เคยทามาร่วมกัน ย่อมบันดาลให้คู่บุญรู้สึกดีต่อกันตั้งแต่แรกครบตลอดจนบันดาลให้พบเจอแต่เรื่องดีๆร่วมกันมีผลให้เป็นสุขและอยากอยู่ใกล้ชิดไม่อยากจากไปไหนและไม่อยากมีอะไรอื่นมากกว่านั้นชวนไปไหนไปกันนึกครึมและคุ้นเคยกับบรรยากาศร่วมกันยิ่งกว่าเมื่ออยู่กับใครอื่นทั้งหมดและเหนือสิ่งอื่นใดอานาจของบุญเก่าจะบันดาลให้นึกอยากทาอะไรดีๆร่วมกันอีก ทั้งในแง่ของการช่วยคิดช่วยพูดและช่วยแก้ปัญหาของอีกฝ่ายให้หมดไปตลอดจนริเริ่มช่วยคนอื่นช่วยสังคมช่วยศาสนาร่วมกันด้วยบุญที่ใหญ่ยิ่งย่อมก่อให้เกิดความรักที่ยิ่งใหญ่ในทางพุทธแล้วบุญอันยิ่งใหญ่ที่ประกันความผูกพันไร้ที่สิ้นสุดคือการมีโอกาสเกิดร่วมชาติกับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวก และมีจิตเลื่อมใสถวายสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพแก่พวกท่านกับทั้งอธิษฐานร่วมกันสนับสนุนการและกันให้ได้ไปถึงความสิ้นสุดกิเลสสิ้นสุดทุกข์ด้วยกันในอนาคตตการเหตุใดจึงตัดสินว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่อันให้ผลผูกพันไร้ที่สิ้นสุดเพราะความผูกพันจะมาในรูปของปฏิกิริยาลูกโซ่ ไม่มีการขาดตอนบนเส้นทางสู่จุดหมายสุดท้ายอา น, นิชต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยอมเป็นที่น่าเลื่อมใสกับทั้งสามารถช่วยให้ผู้คนเชื่อเรื่องกรรมวิบากการเวียนว่ายตายเกิดตลอดจนการเพียรเจริญสติเพื่อดับกิเลส ด, ดับกองทุกข์เมื่อมีวาสนาพบพวกท่านกับทั้งเชื่อถือเลื่อมใส ก็ย่อมมีกําลังใจเปล่งวาจะอธิษฐานต่อหน้าพระผู้ทรงคุณและเมื่ออธิษฐานมุ่งประโยชน์สูงสุดก็ย่อมเดินทางไปในสังสารวัฏอย่างมีทิศทางชัดเจนว่าเจอกันแต่ละครั้งจะโน้มเอียงไปในทางบุญแน่นอนพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกเป็นผู้ถึงนิพพานผู้ถึงนิพพานแล้ว ย่อมเปรียบเสมือนประตูนิพพานแก่ผู้ยังไม่พบนิพพานเพียงได้กราบพวกท่านย่อมเทียบเท่ากราบพระนิพพานการทาบุญกับพวกท่านย่อมเป็นการสั่งสมกำลังเพื่อให้พอแก่การเดินทางสู่นิพพานนี่เองจึงเป็นที่มาของการกล่าวว่าถ้าทำบุญกับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์แล้วอธิษฐานถึงนิพพานร่วมกัน ยอมให้ผลเป็นความผูกพันในทางเกื้อกูลตลอดไปจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อถึงนิพพานด้วยกันนั่นเองเปรียบเหมือนกันวางรากฐานของตึกหลายร้อยชั้นเมื่อวางรากฐานเสร็จคุณจะต่อยอดขึ้นไปเป็นหลายสิบชั้นก็ได้หรือเป็นหลายร้อยชั้นก็ได้ตามปรารถนาหากในอดีตเคยมีวาสนาได้พบและทาบุญกับพระพุทธเจ้าหรือเหล่าพระอระหรันต คุณยอมได้รากฐานใหญ่ที่ต่อยอดบุญสูงขึ้นอย่างไร้ขอบเขตจํากัดจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานคู่ที่ทำบุญร่วมกันระดับนี้ยอมได้ชื่อว่ามีความเป็นที่สุดสำหรับกันและกัน mm. เมื่อพบกันในแต่ละชาติจึงไม่เป็นที่สงสัยในความเป็นตัวจริงตั้งแต่ต้นกับทั้งไม่มีทางทอดทิ้งกันได้ลงไปจนตาย แม้ในชาติที่ไม่รู้เรื่องนิพพานอย่างน้อยก็ต้องรู้สึกผูกพันอยากช่วยให้อีกฝ่ายพ้นทุกข์พ้นภัยจนถึงที่สุดความดึงดูดที่เกิดขึ้นในช่วงแรกครบจะไม่ธรรมดาเหมือนมีความสดใสกระจ่างเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และบันดาลให้นึกออกทันทีว่าหน้าตาของรักแท้เป็นอย่างไรพบกันแล้วเกิดรัศมีบางชนิดคล้ายกระแก้วล้อมรอบ การเขตให้รู้ว่านี่คือที่ที่สองคนเท่านั้นมีสิทธิทราบว่าเป็นอย่างไรและถัดจากนั้นจะมีแต่เรื่องดีกับดีประดังเข้ามาช่วยให้แน่ใจว่าสมควรยินยอมเป็นสามีภรรยากันแต่โดยดีไม่ขี่คู่หรอกครับที่ได้พบกับประสบการณ์ประมาณนั้นนั่นก็เพราะโอกาสพบพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เป็นเรื่องยากยิ่ง และแม้พบแล้วก็ไม่แน่ว่าจะมีบุญพอให้เกิดความเลื่อมใสพวกท่านหรือถึงแม้มีบุญพอให้เกิดความเลื่อมใสพวกท่านก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคู่รักดีๆไปทำบุญกับพวกท่านร่วมกันหรือเปล่าบุญใหญ่ที่รองลงมาได้แก่การเคยอยู่ใต้ชายคาเดียวกันแบบคู่ผัวตัวเมียมีรักเดียวใจเดียวไม่แยกจากกันจนตาย เหตุการณ์ทั้งหมดนับแต่ร่วมเตียงร่วมโตกินข้าวร่วมเสพความบันเทิงตลอดจนร่วมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจะรวมกันถักทอเป็นสายใยผูกพันที่มองไม่เห็นที่ต้องบอกว่ามองไม่เห็นเพราะคู่รักอาจไม่รู้สึกถึงสายใยผูกพันด้วยซ้าในยามเฉยชินเหมือนตื่นมาเจอหน้าและร่วมกิจวัตรประจาวันกันไปอย่างนั้นเองต่อเมื่อพบกันในอีกชีวิตหนึ่ง ทุกอย่างแปลกใหม่ไปหมดแล้วสายใยอันเหนียวแน่นจึงปรากฏอย่างเด่นชัดความรู้สึกว่าไม่อาจดิ้นหนีกันและการพ้นนั่นแหละการแสดงตัวของสายใยข้ามชาติทั้งสองฝ่ายจะยอมรับประมาณว่าใช่เลยเคยอยู่ด้วยกันมายังไรก็ตามคู่ที่ใช่ไปเรื่อยๆ ประเภทนี้อาจไม่ได้รู้สึกอุ้ววเท่าคู่แท้ไปนิพพานคือแค่ตะลึงตะลึงหน่อยไม่ได้มีรัศมีบุญเก่ามากั้นเขตหยุดโลกแล้วเหตุการณ์ระหว่างกันในช่วงแรกครบก็เรื่อยๆมาเรียงรียงชุ่มชื่นใจบ้างสบายใจบ้างแห้งเหี่ยวบ้างนาหุดหิดบ้างสแสดงผลของกำขาวกำดำที่เคยทำร่วมกันมาแบบรุ่มๆุ่ดอนดอนไม่ถึงกับอะไรอะไรก็ดีไปหมดสนับสนุนให้อยู่ร่วมกันไปหมด ถ้าเคยปรองดองกันมากเจอกันใหม่ก็เหมือนเข้ากันได้ง่ายคุยกันได้ทุกเรื่องสนิษสนมเป็นกันเองไม่เป็นอื่นต่อกันเลยพูดไปในทางเดียวกันหมดแต่ถ้าเคยทะเลาะเบาแว่งบ่อยเจอกันใหม่ก็จะออกแนวขิงก็ราขาก็แรงจิกกัดทิมตำกันแบบพ่อแง่แม่งงอนแต่ก็รู้สึกหวานและแสนคิดถึงโดยเฉพาะตอนกลางคืนก่อนหลับไปเดียว บุญที่รองลงไปกว่านั้นได้แก่การเคยเป็นญาติสนิทมิตรสหายที่รักกันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันตอบแทนกันไม่หวังผลประโยชน์จากกันในชาติใหม่สายสัมพันธ์ฉันญาตินั้นจะเตือนให้รู้สึกผูกพันและไว้ใจกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันจะขอความช่วยเหลือหรือไหว้าวานอะไรก็เกรงใจน้อยกว่าคนอื่น ความรู้สึกลึกๆจะเป็นไปตามสัก์ที่เคยนับญาติหรือคุ้นสักคุ้นนิสัยกันมาเช่นถ้าเคยเป็นพี่เป็นน้องก็จะรู้สึกเหมือนพี่เหมือนน้องโบรเล่นหัวได้โดยที่ฝ่ายน้องไม่ถือสากับทั้งมีความนับถือยาเกรงฝ่ายพี่อยู่ในทีขณะที่ฝ่ายพี่ก็ให้ความเอ็นดูเป็นห่วงและอยากดูแลโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน แรกเริ่มที่คบหาจะมีความเอ็นดูนำมาก่อนจากนั้นเมื่อใกล้ชิดกันมากขึ้นก็ค่อยๆแปลเป็นความรู้สึกทางเพศอันเป็นไปตามความดึงดูดของกายที่กำเนิดมาจากคนละพ่อคนละแม่แต่กรณีทํานองนี้ก็ไม่แน่นอนถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปักใจกับความรู้สึกแบบญาติก็อาจไม่อยากเล่นด้วยหรือกระทั่งพลอยเกียรติอีกฝ่ายไปเลยที่มามีความรู้สึกเชิงชู้สาวกับตน สรุปแล้วความดึงดูดกันด้วยอำนาจบุญไม่จำเป็นต้องหมายถึงเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนเสมอไปแม้ความรู้สึกแรกจะอยากเข้าหากันเป็นพิเศษก็ต้องดูด้วยว่าพื้นฐานความรู้สึกที่มีต่อกันเป็นแบบไหนถ้าขยับความสัมพันธ์ไปในเชิงชู้สาวแล้วจะมีฝ่ายใดเดือดร้อนไหมบางคู่มีอันต้องเลิกคบกันดื้อ เพียงเพราะฝ่ายหนึ่งเปิดเผยความในใจแบบไม่ทันให้ตั้งตัวก็นับว่าเสียดายมิตรภาพไม่น้อย 4. ความผลักดันกันด้วยอำนาจบาปบาปเป็นธรรมชาติด้านมืด บันดาลให้เกิดผลด้านร้ายฉะนั้นคู่ที่เคยร่วมกันทําบาปหรือผูกเวรกันมามากในชีวิตก่อนยอมแด้ร่างกายและจิตใจในชีวิตนี้ที่ผลักดันกันออกห่างไม่พอใจกันและกันกับทั้งเป็นทุกข์เมื่อต้องอยู่ใกล้กันแต่การจองเวร น, นั้นพิสดาร น, นักถ้ารูปแบบของการจองเวรกันเป็นไปในแบบผัวเมีย ชาติปัจจุบันจะเริ่มความสัมพันธ์ด้วยแรงดึงดูดทางเพศเกินห้ามใจก่อนและจึงตามมาด้วยแรงผลักทางอารมณ์ที่น่ารุ่มร้อนในภายหลังมันเป็นวงจรเวนต่อเวนไม่รู้จบรู้สิ้นครับเคยดีเคยร้ายลงท้ายไม่ปรองดองกันอย่างถาวรแล้วจบลงด้วยความวิปรโยคหรือโศกนตะกรรมถึงเลือดถึงเนื้อผ่านพบผ่านชาตินึกว่าจะจบกลับต้องมาเจอกันใหม่ คบกันใหม่เพราะจำกันไม่ได้รู้เท่าไม่ถึงการว่าเข้าทางวงจรอุบาทีกแล้วเวลาฝ่ายหญิงเมาให้เพื่อนฟังก็มักบ่นว่าไม่รู้เป็นอะไรกับคนนี้ขนลุกแบบก ล, าก ล, ากล้ากลัวอย่างประหลาดว่าจะไม่จะไม่แต่ก็เหมือนเจอหลุมดำลึกลับที่สู้ไม่ไหวคล้ายเจอเสนยาแฝดลากให้ทลาเข้าไปหาทุกทีหรือบางกรณีนะครับ กลนกามบวกกลนกามก็แนบเนียนกว่านั้นไม่มีสังหอนร้ายใดๆให้เฉลียวใจทั้งสิ้นหลงนึกว่ารักแท้คือแรงดึงดูดภายหลังถึงค่อยรู้ว่าดึงดูดให้มาตกกันหลักสังเกตคู่เวรง่ายๆคือคุณจะเหมือนมีสองความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอาจสลับสลับหรือควบคู่กันไปเช่น เวลาอยู่ห่างจะคิดถึงกันถวิล ห, หาอยากอยู่ใกล้คล้ายมีแรงดึงดูดเกินต้านแต่พอมาอยู่ใกล้กันจริงๆกลับอึดอัดแปลกๆมองหน้าไม่เต็มตาไม่นึกอยากคุยหรือหนักกว่านั้นคือคุยกันมีแต่ทะเลาะอีกหลักสังเกตหนึ่งคือพวกคุณจะคิดบุญร่วมกันยากคิดเมื่อไรเป็นต้องเจอเหตุหน่วงเหนีวหรืออุปสรรคขัดขวางอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ เรียกว่าเวรที่มีร่วมกันจะไม่ยอมให้รู้สึกดีต่อกันง่ายๆจะแกล้งให้อยู่บนเส้นทางบาปเวรเรื่อยไปนั่นแหละเวลากรรมเก่าจะให้ผลแบบมืดๆนะครับมันมาได้ทุกท่าเลยต่อให้ไม่มีสถานการณ์เลวร้ายใดๆแค่เรื่องขี้ปัติ๋วอย่างเช่นมาสายไปหน่อยเดียวก็ทำเอาของขึ้นได้คือพายุความโกรธที่กระโชกขึ้นมาจะไม่สมเหตุสมผล เหมือนแค้นอะไรนักหนาแรกๆแค่อราวาดเกรี้ยวกราดแบบพอทำใจอภัยแต่หลายครั้งเข้าพอถึงขีดสุดความอดทนก็จะวกกลับไปหาวงจรอุบาทในชาติก่อนเต็มรูปแบบคือลงมือลงไม้ทุบถองตีเขา่าเขย่าศอกหรือถึงขั้นตายเป็นตายหยิบอาวุธขึ้นมาประหัตประหารกันสิ่งที่น่ากลัวจริงๆในการต้องมาอยู่ร่วมกับคู่เวร น, นั้น ไม่ได้อยู่ที่การทะเลาะเบาแววงหรือกระทั่งการฆ่าแกงกันแต่เป็นรูปชีวิตใหม่ที่ถูกบรรดาลขึ้นด้วยบาปหลังตายจากโลกนี้ไปแล้วหลักการดูคติอันเป็นที่เกิดใหม่นั้นผู้รู้จักธรรมชาติดีที่สุดเช่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้ฟังง่ายคือถ้าสั่งสมการคิดร้ายพูดร้ายทำร้าย อันเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองก่อนตายอบายย่อมเป็นที่หวังได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ลองตรองดูเถิดว่าถ้าชีวิตคู่ของคุณคือความอึดอัดคัดแน่นชวนให้คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายอะไรจะเกิดขึ้นความจริงก็คือถ้าคุณดับไฟในครัวเรือนไม่ได้ทันก่อนตายก็จะต้องเจอไฟในอบายกันต่อไป มีคนตายไปอาบายให้ดูทุกวันเสียดายคนดูไม่มีความสามารถจะเห็นเพราะเห็นได้ก็แค่ศพที่ไร้ลมเข้าลมออกอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนั้นถูกปิดกั้นไว้มิฉะนั้นพวกเราทุกคนคงตั้งหน้าตั้งตาสอบให้ผ่านด่านชีวิตคู่กันทั้งหมดการไว้ดีกว่าแก้ครับดูให้ดีว่าระหว่างคุณกับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณเป็นพวกที่จับคู่กันเพื่อกุศล หรืออากุสลอย่าปล่อยให้สายเกินไปเพราะไม่มีใครกลับไปแก้ไขอดีตได้ท่องไว้นะครับวิธีดับไฟที่ง่ายที่สุดคือดับมันเซก่อนจะเริ่มไหมสรุปแล้วความดึงดูดกันในเบื้องต้นไม่ได้เป็นประกันว่าคุณกับเขาเป็นคู่บุญโดยที่แท้อาจเป็นคู่เวรก็ได้ฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่าเจอคู่เวร และไม่อาจหนีพลังดึงดูดอันมหาศาลของหลุมดำได้ก็ให้เลือกว่าเจอครั้งนี้เพื่อยุติศึกอย่าได้เจอกันเพื่อต่อเวรอีกเลย 5. ความรู้สึกเฉยต่อกันเมื่อบุญและบาปที่ทำร่วมกับใครมีกำลังอ่อน ก็อาจให้ผลเป็นเศษหลงเหลือเพียงน้อยเมื่อพบกันก็อาจไม่มีอิทธิพลเป็นดูดเข้าหรือผลักออกเป็นอิสระต่อกันมากพอจะดูตามเนื้อผ้าว่าอีกฝ่ายเป็นอย่างไรก็ค่อยรู้สึกเอาตามนั้นและโดยมากที่ค่อยๆ ย, ยอมให้ความสนิททวีขึ้นก็เพราะเหตุผลคือเห็นเป็นคนดีส่วนที่ว่าจะดีตามที่เห็นหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายต่อหลายอย่างเช่นบางคนตอนไม่สนิทด้วยก็แสนดีแต่พอเริ่มให้ความสนิทสนมยอมรับเป็นแฟนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เริ่มทําตัวตามสบายนึกอยากพูดอะไรก็พูดนึกอยากทําอะไรก็ทําโดยไม่ค่อยสนใจนักว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกอย่างไรนั่นเพราะคนธรรมดาจะเอากิเลสเป็นแรงขับดันให้แสดงพฤติกรรมต่างๆแม้เมื่อมาอยู่ร่วมกับคนอื่น ก็จะยังคงชินกับความอยากเอากิเลส ข, ของตนเป็นศูนย์กลางคนส่วนใหญ่จึงอยู่กันแบบครึ่งดีครึ่งร้ายเอาแน่เอานอนไม่ได้บางคนขี้ระแวงขี้หึงเป็นนิสัยส่วนตัวไม่ว่าอยู่กับใครก็แสดงพฤติกรรมตามโทรจิกโทรเช็คตลอดอย่างนี้หมายความว่าความน่ารำคาญเป็นนิสัยประจำตัวไม่ใช่ว่าเคยผูกเวรกับใครเป็นพิเศษ กับคนที่คุณไม่ได้ผูกบุญผูกบาปมาเป็นพิเศษคุณจะไม่รู้สึกดีใจหรือเสียใจมากมายเอาก็ได้ไม่เอาก็ไม่เดือดร้อนและเช่นกันเมื่อไม่มีบุญบาปเป็นหัวขบวนนำความรู้สึกก็นับเป็นโอกาสให้คุณกับเขาหรือเธอสามารถสร้างความรู้สึกดีร้ายขึ้นได้ใหม่ไม่จํากัดตามธรรมชาติแล้ว คู่ที่ไม่มีรากแก้วของทั้งบุญทั้งบาบยึดเหนี่ยวกันไว้โดยมากจะคบกันอย่างผิวเผินแล้วจากกันอย่างรวดเร็วกับทั้งสามารถลืมกันและกันได้อย่างสนิทภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีในทางกลับกันคู่ประเภทนี้ก็อาจนับชาติปัจจุบันเป็นก้าวแรกที่เริ่มเดินไปในทิศเดียวกันได้เช่นถ้าไม่เคยทาบุญในพุทธศาสนาร่วมกันมาก่อนเลย แล้มีโอกาสร่วมกันทำสักครั้งต่อให้จากกันไปตามวิถีแห่งชะตาที่ถูกกรรมเก่ากำหนดมาก็จะได้เจอกันอีกในชาติต่อๆไปและมีโอกาสร่วมทางกันนานขึ้นครับกล่าวมาทั้งหมดนี้ยืนอยู่บนความจริงที่ว่าทุกคนเคยผูกกรรมกันไว้ก่อนและกรรมที่ทำร่วมกันจะเป็นตัวกาหนดความรู้สึกช่วงแรกครบ กับทั้งจะเป็นตัวกำหนดเส้นทางชะตาการครองคู่ว่าเป็นเส้นตรงราบเรียบหรือพลิกผันกลับไปกลับมาอย่างไรไม่สำคัญว่าคุณจะเคยผูกกรรมกับใครไว้ตั้งแต่เมื่อกี่ร้อยชาติก่อนต่อให้ไม่เจอกันร้อยชาติพอมาจับคู่กันก็ต้องรับผลเท่ากับเพิ่งทาเมื่อชาติที่แล้วหยกหยกอยู่ดีนั่นเพราะกรรมไม่เหมือนความทรงจานะครับ ความทรงจำยิ่งนานยิ่งเลือนไปส่วนกรรมนั้นจะนานแค่ไหนก็อยู่ยั้งยืนยงเช่นเดิมจนกว่าจะให้ผลเหมือนกับสัจจะความจริงที่เมื่อเกิดสิ่งใดขึ้นความจริงก็ย่อมเป็นความจริงว่าสิ่งนั้นเคยเกิดขึ้นจะบอกว่าไม่เกิดขึ้นหรือลดปริมาณลดคุณภาพของการเกิดขึ้นไม่ได้ กรรมจะจัดสรรทุกอย่างนับแต่ดึงดูดคู่กรร ม, มาพบกันบรรดาให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยตลอดจนส่งแรงดึงดูดหรือแรงผลักออกโดยไม่สนใจว่าคู่ก ร, รมต้องการให้เป็นเช่นนั้นหรือไม่ฉะนั้นนะครับการเลือกคบคนไม่ว่าเป็นใครก็คือการเลือกคู่ก ร, รมเก่าเลือกคนที่เคยผูกก ร, รมกันไว้แบบไหนนั่นเอง เกือบทุกขั้นตอนถูกวางแผนไว้แล้วเว้นไว้ก็แต่ให้โอกาสคุณมีส่วนตัดสินใจว่าจะพยายามทำอะไรอะไรให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มแรงบุญให้เข้มข้นหรือปล่อยเลยตามเลยตามเส้นทางที่ถูกวางแผนไว้ท่าเดียวถ้าคุณเสนอแรงขนาดมีหลายตัวเลือกที่น่าสนใจเข้ามาติดพัน แถมแต่ละคนยังให้ความประทับใจดีๆเมื่อแรกครบไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันสักเท่าไหร่ก็สมควรมีเกณฑ์เลือกไว้ช่วยตัดสินใจอีกหลายๆข้อซึ่งนั่นก็คือเนื้อหาที่เหลือของบทนี้ครับ วาทะความรักความรักไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากถ้อยคาแต่มาจากความสบายใจที่สามารถคุยกันรู้เรื่องทุกคำความสามารถในการพูดคุยกันกล่าวได้เต็มปากว่าการพูดคุยกันคือกระดูกสันหลังของรักแท้ ต่อให้เป็นใบทั้งคู่ก็ต้องสื่อสารพูดคุยกันผ่านภาษาเขียนหรือภาษามือคู่ที่ไม่คุยกันคือคู่ที่เลิกกันแล้วแต่ขณะเดียวกันก็พึงระลึกไว้ด้วยนะครับว่าคู่ที่คุยกันด้วยความเข้าใจผิดเสมอคือคู่ที่ไม่เคยคุยกันเลยการพูดคุยเป็นอะไรที่มากกว่าการแลกเปลี่ยนคำพูดแท้จริงเราต่างก็หาใครสักคนมาคุย เพื่อที่จะให้ตัวตนของเราปรากฏชัดขึ้นหรือดูมีตัวตนเป็นที่เข้าใจอย่างแท้จริงมาพิจารณาองค์ประกอบของการสนทนาประษาคนดูใจกันเป็นข้อๆนะครับพอได้หลักสังเกตแล้วคุณจะทราบว่าการพูดคุยนี่แหละคือเครื่องมืออันดับต้นๆในการเลือกคนที่ใช่สัพนาม เคยสงสัยไหมว่าแต่หลักคำที่เราใช้ใช้กันอยู่นี้มาจากไหนใครเป็นคนบัญญัติเวลามนุษย์จะศึกษาอะไรก็มักมองออกนอกตัวอย่างเช่นที่มาของภาษานั้นนักภาษาศาสตร์เชื่อว่าเราจะสืบได้ก็จากการถอดรหัสหลักฐานเท่าที่มีอยู่เช่นภาษาสัญลักษณ์บนผนังถ้ำเป็นต้นและโดยการพยายามถอดรหัสจากหลักฐานภายนอกนี่เอง ทำให้นักภาษาศาสตร์จำต้องยอมรับแบบเห็นพ้องป้องกันโดยดุสเดียว่าภาษาดั้งเดิมแรกสุดของมนุษยชาติโดยรวมนั้นไม่มีแถมภาษาพูดนี่ไม่มีร่องรอยที่มาที่ไปเอาเลยขนาดพูดกันเป็นตุเป็นตะบัญญัติกติกาการใช้ภาษาเป็นหลักไวยากรณ์อย่างดิ ด, ดีแต่กลับหาต้นกําเนิดที่มาแรกสุดไม่เจอเรากับอยู่ๆมนุษย์ก็พูดขึ้นมาได้เองอย่างนั้นแหละแท้จริงแล้ว มันจะง่ายขึ้นถ้าเอามองย้อนกลับมาที่จิตคุณจะพบต้นเขาของภาษาตั้งแต่จําความได้นั่นแหละครับก่อนมีภาษาพูดมนุษย์ทั้งหลายมีภาษาคิดเป็นอันดับแรกและความรู้สึกในตัวตนนั่นแหละคือรากของภาษาคิดหลักฐานเกี่ยวกับคลื่นสมองยืนยันว่าเด็กทารกคิดได้ตั้งแต่วันแรกแล้วทายซิว่า แดกทารกแรกเกิดคิดถึงอะไรก็คิดถึงตัวเองยังไงล่ะตัวกูและของกูนั่นแหละคือต้นต่อของภาษาคนเราอยากเรียกร้องความสนใจให้ตัวเองเป็นอันดับแรกเสมอลองเงี่ยหูฟังดีๆนะครับตอนเด็กแผดเสียงร้องให้จ้าจะเอาอะไรในเสียงร้องนั้นมีกูดิบๆิบแปงอยู่อย่างเต็มเปี่ยม ถ้าเด็กพูดได้คงประมาณว่ากูจะเอานั่นแหละแต่เมื่อพูดไม่ได้ก็ต้องใช้เสียงที่ตะเบงออกมาสุดหลอดแทนสรุปแล้วต้นกำเนิดภาษาก็มาจากความรู้สึกในตัวเรานี่เองภาษามีขึ้นเพื่อสื่อความรู้สึกของตัวเองทำให้ตัวเองปรากฏและมีความหมายขึ้นมาในโลกภาษาจิตหรือภาษาทางความคิด จึงมาก่อนภาษาพูดและภาษาเขียนภาษาจิตมาจากโครงสร้างของกรรมเก่ากรรมเก่าจะเป็นตัวจำแนกว่าใครควรไปอยู่เผ่าพันธุ์ไหนลักษณะการพูดจาเป็นอย่างไรสังเกตง่ายๆในขั้นพื้นฐานที่สุดนะครับแต่และเผ่าพันธุ์มีความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองต่างกันหลายภาษามีสรรพนามแทนตัวเองเพียงหนึ่งคำเช่น ในภาษาอังกฤษเราจะแทนตัวเองว่า I ไม่มีการแยกเพศไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะใดๆจะกี่ปีกี่ยุคผ่านไปก็มีแต่บอกว่า I นี่แหละฉันละ่ะแต่ก็มีบางภาษาเช่นภาษาไทยที่มีสรรพนามแทนตัวเองมากมายเช่นคำว่ากระผมและดิฉันเอาไว้บ่งเพศคำว่าข้าพเจ้า เอาไว้บ่งความเป็นทางการและเป็นกลางทางเพศคำว่าหนูเอาไว้แสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่คำว่ากูเอาไว้บ่งอารมณ์ดิบหรือสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดสนิทสนมคนไทยจึงเป็นพวกที่รู้สึกถึงฐานะของตนผ่านสรพนามหลากหลายบางทีถ้าจะเลื่อนระดับความสนิทสนมก็อาศัยสัพนามนี่แหละเป็นตัวบอกเช่น อทิตก่อนแทนตัวเองว่าผมวันนี้สนิทขึ้นเลยแทนตัวเองว่ากูเป็นตน้นแถมนะครับสรรพนามแทนตนยังดิ้นได้เพิ่มเติมได้ตามยุคสมัยเช่นคำว่าเขานี่ไม่ทราบเริ่มตั้งแต่เมื่อใดใครเป็นคนนำแต่ก็ใช้กันเป็นปกติคนไทยจึงมีโอกาสแสดงออกถึงความเป็นตัวตนได้พิสดารมากช่วงก่อนพุทธศักราช 2,500 ยังมีการแบ่งเพศอย่างชัดเจนผ่านคำเป็นทางการเช่นผมหรือดิฉันแต่ยุค ป, ปัจจุบันวัยรุ่นจะใช้คำเป็นกลางๆไม่แยกเพศเช่นเราซึ่งอาจสะท้อนถึงความเสมอภาคทางเพศที่มากขึ้นสพนามที่แสดงความเคารพอาวุโสนับพี่นับน้องเป็นสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง และนั่นก็ทำให้เกิดความประดักประเดิดได้หากฝ่ายชายต้องเรียกหญิงคนรักว่าพี่ในขณะที่ฝรั่งไม่ค่อยแคร์เพราะอย่างไรก็เรียกยูเหมือนกันหมดสพนามนับพี่นับน้องยังสอได้ด้วยว่าอยากนับถือกันแค่ไหนวันใดหญิงเรียกชายว่าพี่หมายถึงยังนับถือกันอยู่แต่วันไหนถ้าเรียกคุณหรือมึงขึ้นมานั่นอาจแปล ว, ว่ามีเรื่องกันแล้ว ความพอใจในตัวตนของคนไทยเมื่อคุยกับคนรักจึงอาจเริ่มต้นจากสรพพนามนี่เองผู้ชายที่ต้องการเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้หญิงชอบเป็นหัวหน้าครอบครัวจะอยากให้คนรักเรียกตนว่าพี่ส่วนผู้ชายที่ชอบหารสองเรื่องค่าใช้จ่ายอาจอยากได้คนรักที่เรียกตนว่าเธอหรือนายหรือตามสมัยนิยมของวัยรุ่นอาจเป็นมึงไปเลย และถ้ายิ่งเป็นผู้ชายที่มีความสุขกับการให้ผู้หญิงเลี้ยงดูปูเสือก็อาจอยากได้คนรักที่เรียกตนว่าน้องจึงจะสมใจผู้หญิงส่วนใหญ่จะรู้สึกดีกับผู้ชายที่ทำให้เธอเรียกตัวเองว่าหนูอย่างสนิทใจน้อยคนจะอยากได้แฟนที่ทำให้เธอจำต้องเรียกตนเองว่าพี่แต่หากจำเป็นจริงๆผู้หญิงก็มักมีทางออกเสมอ พวกเธอสามารถเรียกชื่อเล่นของตัวเองเพื่อให้ดูเด็กลงได้อย่างสะดวกปากอยู่แล้วเมื่อเข้าใจว่าสภพนามีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกในตัวตนคุณจะเข้าใจและสังเกตตัวเองมากขึ้นคนที่ใช่สำหรับคุณคือคนที่ทำให้คุณเรียกตนเองด้วยความพอใจเพราะการเรียกตนเองด้วยความพอใจจะทาให้คุยกับคนรักได้โดยไม่รู้สึกสะดุด และสังเกตด้วยว่าถ้าเขาหรือเธอเรียกแปล่งเสียงขานชื่อคุณและคุณรู้สึกว่าชื่อของตัวเองมีค่ามีความหมายคนคนนั้นก็แทบเข้ามายึดที่นั่งในหัวใจคุณเกินครึ่งแล้วสไตล์การคุย ถ้าให้อธิบายว่าทำไมคุณถึงคุยกับบางคนแล้วสบายใจคุณอาจงงงและอาจจับต้นชนปลายไม่ถูกบอกได้แต่ว่าสบายใจก็แล้วกันมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทราบความรู้สึกของตัวเองแต่มักอธิบายที่มาที่ไปไม่ถูกและนั่นก็เป็นเหตุให้เกิดความสับสนบางครั้งก็ทรมานใจพอถามตัวเองว่าทาไมจึงสบายใจกับคนที่ไม่ควรจะสบายใจ แต่คนที่ควรสบายใจด้วยกลับไม่สบายใจซึ่งนี่มนุษย์ต้องการคุยกับใครสักคนที่กระตุ้นให้รู้สึกถึงความเป็นตัวเองอย่างแจ่มชัดคือถ้าคุยแล้วเป็นตัวของตัวเองก็จะชอบแต่ถ้าคุยแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองหรือทำให้ตัวเองบิดเบี้ยวไปก็จะเอื่มระอาและอยากหลีกเลี่ยงยุคนี้ผู้คนสามารถพูดคุยผ่านอินเทอร์เน็ตได้และการพูดคุยผ่านอินเทอร์เน็ต ก็สาธิตให้เราดูว่าถ้าจะคุยให้สบายใจกับทั้งเป็นตัวของตัวเองอย่างน่าติดใจต้องแบบนี้แบบนี้คือแบบไหนมาชำละกันให้กระจางครับว่าการพูดคุยเพื่อความสบายใจเป็นอย่างไรหากจับจุดถูกคุณก็สามารถนำมาพิจารณาคนที่อยู่ตรงหน้าว่าใช่คนที่จะคุยด้วยอย่างสบายใจเป็นนานๆไหม 1>, 1. การไม่รู้จักตัวตนของอีกฝ่ายมาก่อนการไม่รู้จักตัวตนของอีกฝ่ายมาก่อนทำให้คุณคุยกับเพื่อนทางเน็ตได้โดยไม่มีหัวโขนมีแต่คำพูดที่บอกว่าคุณกับคู่สนทนาเป็นใครให้ความสำราญหรือแง่คิดได้ถึงใจปาไหนไม่ต้องสนใจรายละเอียดมากกว่านั้นการคุยแบบไม่ต้องมีความผูกพัน ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องระวังตัวน้อยลงและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นความสบายใจกับการเปิดอกแสดงความเห็นได้อย่างหมดเปลือกนี่แหละคนเราชอบนะักยิ่งท่าได้คู่สนทนาคอเดียวกันจะยิ่งมันเข้าไปใหญ่เพราะนั้นคือโอกาสให้แสดงตัวตนอย่างหมดเปลือกการเปิดเผยความรู้สึกนึกคิดก็คือการกระตุ้นให้ตัวตนปรากฏแจ่มชัดนั่นเอง ต่อให้เป็นพวกไม่ชอบปรากฏตัวต่อสังคมก็ต้องชอบคิดมากอยู่ดีเพราะการคิดมากคือการคุยกับใจตัวเองทำให้ตัวตนยังคงอยู่แม้ไม่มีใครเห็นก็ไม่หายไปไหนเมื่อสามารถคุยกับคนถูกคอได้คล้ายคุยกับความคิดของตัวเองก็ยอมดีกว่าคิดมากอยู่คนเดียวแน่นอนในโลกความเป็นจริง บางคนหาเพื่อนคุยถูกคอได้ง่ายแต่บางคนก็พบยากครับซึ่งพวกหลังเนี่ยก็มักจะไปจับคู่คุยกันในเน็ตอย่างเป็นล่าเป็นสันเพียงแค่ค้นหาว่ามีกระดานสนทนาใดเข้ากับอัธยาศัยของตนอย่างไรต้องเจอคอเดียวกันแน่ๆไม่มีทางไม่เจอและเช่นกันถ้าคุณคิดว่าคุยกับคนรอบตัวแล้วไม่ใช่ก็น่าทดลองเอาตัวเองเข้าไปลุกกับกระดานสนทนา ที่ถูกจริญ ห, หลายเดือนหลา ย, ลายปีจนแน่ใจว่ารู้จักกันจริงไม่ใช่หลอกกันด้วยอารมณ์เหงาก็คงมีใครสักคนที่ยังโสดและเข้าขากับคุณได้บ้างหละ 2. การไม่เคยเห็นหน้าค้าตากันมาก่อนทำให้คุณมีทางเดียวคือจินตนาการเอา และจินตนาการจะมาจากไหนถ้าไม่ใช่วิธีการพูดของคู่สนทนาคำพูดจะเป็นตัวสร้างจินตนาการว่าเขาหล่อหรือเธอสวยเพียงใดการที่คุณเริ่มรู้จักใครสักคนแบบไม่รู้หน้าแต่รู้ความคิดของเขามันทำให้คุณข้ามขั้นการตัดสินคนอย่างผิวเผินด้วยตาเปล่าตัดตรงเข้าไปถึงเนื้อแท้ทางจิตใจของคู่สนทนาโดยตรงคุณจะเข้าใจหลักกา ร, รวิบากประการหนึ่ง คือถ้าพูดดีพูดฉลาดพูดคมพูดให้คนฟังเป็นสุขผลจะเป็นใบหน้าโสภาหน้าพิศมัยนั่นหมายความว่าถ้าเขาทําให้คุณติดใจในคําพูดได้ก่อนใบหน้าเวลาคุณนึกถึงเขาก็จะนึกถึงใบหน้าในจินตนาการมากกว่าใบหน้าในความเป็นจริงรู้อย่างนี้แล้วคุณก็ควรให้โอกาสกับคนที่อยู่ตรงหน้าอย่าเพิ่งตัดสินเขาด้วยรูปร่างหน้าตา แต่รอฟังซิว่าคำพูดของเขาจะทำให้คุณเกิดจินตนาการดีๆเกิดใบหน้าเจ้าตัวมากน้อยแค่ไหนคนที่พูดได้อัปลักษณ์กว่าใบหน้านานไปจะทำให้คุณนึกถึงใบหน้าอัปลักษ์กว่าตัวจริงส่วนคนที่พูดได้สง่างามนานไปจะทำให้คุณนึกถึงใบหน้าที่สง่างามเกินใคร สามการขยับนิ้วพิมพ์ต้องอาศัยการทำงานของสมองมากกว่าตอนขยับปากฉะนั้นการคุยผ่านตัวอักษรจึงวกวนน้อยส่วนปากคนเราเคยชินกับการขยับห ม, มับตามอารมณ์ฉะนั้นการคุยผ่านปากจึงวกวนได้มากพูดไปแล้วก็วกกลับมาพูดซ้ำอีกโดยไม่ทันคิดว่าหน้าเบื่อแค่ไหน เวลาคุณคุยปากกล่าวกับคนหน่าเบื่อบางทีไม่ใช่คำพูดของเขาหรอกครับแต่เป็นความคิดวกไปวนมาในหัวของเขาต่างหากแค่คุณเข้าไปนั่งใกล้คนประเภทเนี้ยก็เหมือนเอาตัวไปอยู่กลางพายุความฟุ้งซ่านสับสนหรือเมอร์ลอยไรจุดหมายจนอยากออกมาห่างๆแล้วถ้าคุณเลือกคนฟุ้งซ่านจัดหรือเมอรลอยเก่งเป็นคู่ครองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะยาวคืออาการปันน่นป่วนวกวน จับต้นชนปลายไม่ติดตามคู่ครองไปด้วยฉะนั้นหลีกให้ห่างคนฟุ้งซ่านจัดและเมอรอลอยเก่งเลือกคุยกับคนที่พูดจาเป็นเส้นตรงหาเป้าหมายไม่วกวนกลับมาเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วคุณจะรู้ว่าแค่ด้วยการพูดคุยก็ทำให้คุณภาพสติดีขึ้นได้ง่ายๆเลยสี่ การคุยกับคนแปลกหน้าในเน็ตทำให้คุณเตรียมใจไว้แต่เนิ่นๆว่าคู่สนทนาไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือเออ อ, อห่หมกกับคุณไปทุกเรื่องบางทีจะพร้อมกับการโต้อตอบอภิปรายหรือกระทั่งถกเถียงกันอย่างมีเหตุผลคือไม่ใช่ขัดแย้งกันด้วยอารมณ์แบบอยู่ดีไม่ว่าดีเอาเวลาไปทะเลาะ ก, กับคนแปลกหน้าสิอย่างนั้นความจริงคนเราไม่ว่าการศึกษาระดับไหนจะชอบนะครับ ถ้าเจอคนที่พูดให้ยอมฟังหรือกระทั่งเปลี่ยนใจเราได้พวกผู้บริหารระดับโลกจะยอมเสียเวลาคุยกับคนแปลกหน้าที่ทำให้เกิดไอเดียใหม่หรือเปลี่ยนใจพวกเขาได้เท่านั้นเพราะเปล่าประโยชน์กับการคุยที่ทำให้ไอเดียเท่าเดิมหรือความรู้ความคิดย่าอยู่กับที่ไม่ช่วยให้ธุรกิจก้าวหน้าไปไหน คุณควรเลือกคนที่คุณฟังคำโต้แย้งของเขาได้และขณะเดียวกันเขาก็ไม่ถือสาหาความกับคำพูดเล็กๆน้อยๆของคุณเพราะถ้าขืนสื่อสารกันคลาดเคลื่อนบ่อยๆก็อาจต้องผิดใจหรือฆ่ากันตายเพราะคำพูดนี่แหละน้ำเสียงตั้งแต่กลางศตวรรษที่19เป็นต้นมา มนุษย์มีอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณจิตชั้นดีไว้ใช้กันแล้วคุณก็ใช้มันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอุปกรณ์นั้นก็คือโทรศัพท์นี่เองโทรศัพท์นั่นแหละครับอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณจิตได้ชัดกว่าอะไรเพราะมันส่งเสียงของผู้พูดที่ปลายสายมาเข้าหูคุณเพียวๆไม่ได้ส่งใบหน้ามาด้วยนั่นบังคับให้คุณต้องใช้เพียงประสาทหู ไม่ถูกประสาตตามาแย่งการรับรู้ไปเหมือนตอนคุยอยู่ต่อหน้าถ้าเพียงคุณเป็นคนช่างสังเกตก็จะทราบเองว่าเสียงจากโทรศัพท์นั้นส่งออกมาจากอารมณ์หรือสภาวะทางใจของผู้พูดที่ปลายสายตรงๆไม่ว่ากำลังลงหรือกำลังขึ้นแม้ขณะเขาไม่ได้เปล่งเสียงพูดก็มีความรู้สึกขึ้นๆลงๆที่เปล่งออกมาให้คุณสำเนีกได้ด้วยหู การฝึกฟังสัญญาณที่ส่งมาจากจิตนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยครับถ้าไม่สังเกตคุณก็จะนึกว่าตัวเองทำไม่ได้ไม่อาจสัมผัสรู้แต่ขอให้ลองเถอะครั้งสองครั้งจะทราบเองว่าไม่ต้องมีอิทธิฤทธิ์ไม่ต้องมีอภินยาคลื่นโทรศัพท์ก็ช่วยพาสัญญาณทางจิตมาให้สัมผัสได้โดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆแล้ว เริ่มต้นฝึกก็ให้คุยไปตามปกติเท่าที่เคยคุยมานั่นแหละแค่อย่าเอาแต่คิดจะพูดหรือหวังว่าจะให้เขาตอบอย่างใจคุณให้ฟังเสียงเขาด้วยความตั้งใจจะรู้เรื่องตลอดแล้วสังเกตว่าเมื่อสิ้นเสียงของเขาแต่ละครั้งคุณรู้สึกว่าเขากำลังสบายหรืออึดอัดความสบายและความอึดอัดเป็นคลื่นทางจิตชนิดหนึ่งคุณสัมผัสได้มาตั้งแต่เกิด แต่คุณถูกหลอกให้เชื่อเฉพาะสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่าเช่นท่าทีสีหน้าและประกายตาหากไม่เห็นตัวคุณก็นึกว่าคงไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใครกำลังรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แค่ไหนความสุขที่มากับคลื่นจิตจะมีลักษณะให้สัมผัสได้คือเบิกบานเปิดกว้างสว่างใสส่วนความทุกข์ที่มากับคลื่นจิต จะมีลักษณะให้สัมผัสได้คือหดหูปิดแคบมืดมนเมื่อสังเกตและเก็บเกี่ยวลักษณะทางนามธรรมต่างๆไว้ทีละครั้งทีละหนในที่สุดคุณจะพบว่าสภาพอารมณ์ของคนที่มีอยู่มากมายกายกองแต่ก็จำแนกได้หลักๆแค่สองอย่างคือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เท่านี้เองคนที่กำลังตื่นเต้นปีติกับความรัก ในอกในใจอาจเหมือนมีน้ำพุแห่งความหันษาพวยพุ่งหรือเหมือนมีทะเลแห่งความปรีดาเอ่อล้นหากสัมผัสความสุขของคนที่อยู่ปลายสายได้คุณก็จะเปรียบเทียบได้ด้วยว่าความสุขของฝ่ายใดมากหรือน้อยกว่ากันแต่อารมณ์ปกติของคนเราทั่วไปนั้นไม่ค่อยจะได้เป็นสุขกันสักเท่าไหร่หรอกครับเป็นทุกข์ซิมากกว่าฉะนั้นในสนามฝึกจริง คุณน่าจะได้เห็นทุกมากกว่าสุขซึ่งก็สนุกอยู่ดีถ้าเห็นจริงๆเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนเช่นพอเขานึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรต่อจังหวะที่เสียงชะงักค้างไปคุณจะสัมผัสได้ถึงอาการสะดุดหรืออาการอึง่งตรงนั้นคือตัวอย่างของความรู้สึกอึดอัดกดดันหรือพยายามเข็นเมื่อคุ้นกับสภาพของคลื่อนจิตง่ายๆทานองนั้น ให้ฝึกดูต่อไปอย่างเช่นตอนคนเราโกรธหรือหงุดหงิดจะคล้ายน้ำเดือดปุดโกรธมากเดือดแรงโกรธน้อยเดือดอ่อนๆแต่ถ้าเป็นความเครียดแค้นอาฆาตเนี่ยคุณจะสัมผัสไปอีกอย่างคือเหมือนคลื่นความกดดันขนาดใหญ่เมื่ครึมทำมึนน่ากลัวเป็นตน้นคุณอาจพบว่า ช่วงกำลังพูดนั้นคนเราอาจตั้งใจดัดเสียงหลอกได้แต่พอหยุดพูดทุกอย่างจะกลับเป็นปกติตามสภาวะของใจจริงๆเช่นถ้าเขาหรือเธออึดอัดไม่อยากพูดด้วยแต่ต้องการรักษาน้ำใจคุณก็อาจพยายามทำเสียงปกติซึ่งก็จะมีผลให้จิตเป็นปกติไปด้วยต่อเมื่อหยุดพูดคุณจะสัมผัสได้ถึงความอัดอั้นกดดันขุ่นมัว หรือกระทั่งกระแสความคิดกระวนกระวายไม่สบอารมณ์อยากวางสายเต็มแก่การฝึกฟังเสียงจนเห็นเข้าไปถึงจิตจะมีความหมายมากคุณจะได้ผลรวมเห็นออกมาเป็นภาพใหญ่ภาพหนึ่งว่าคุยกับเขาหรือเธอแล้วหนักไปทางสุขหรือทางทุกข์มืดหรือสว่างกระจ่างเปิดเผยหรือคลุมเครือหมกเม็ดและที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด น้ำเสียงของคนที่ใช่ไม่จำเป็นต้องออกประกายกังวาลแบบดีใจล้นเหลือที่ได้คุยกันแต่อย่างน้อยต้องสะท้อนถึงความเต็มใจพูดกับคุณทำให้ตัวตนของคุณเท่าเดิมหรือฟูขึ้นไม่ใช่แฟบลงทุกทีทุกทีนอกจากคุณจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นคู่สนทนากับคุณได้หรือไม่ยังอาจชัดเจนลึกซึ้งไปถึงขั้นที่ตอบตัวเองถูกเลยทีเดียวครับ ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับคุณสายตาสายตาเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารแต่มักถูกละเลยเป็นประจำหญิงชายหลายคู่คบกันแทบไม่สตากัน ซึ่งนานไปจะเหมือนกับเอาก้อนหินสองก้อนมาตั้งอยู่ใกล้กันหาความรู้สึกในการและการแทบไม่เจอการสบตาแทบจะเป็นศาสตร์ไดศาสตร์หนึ่งมีอะไรในนั้นมากกว่าการเอาเนตตาสองคู่มาเลงแลกกันขณะพูดคุยนั้นคนที่พร้อมสื่อสารกับคุณคือคนที่ยินดีสบตากับคุณไม่ใช่คนที่หลบตา คนเราถ้ายินดีสื่อสารกันจะประสานตากันได้อย่างสนิทใจการสบตาคุยกันในระยะยาวจะทําให้คุณทราบได้ว่ารู้สึกดีกับเขาหรือเธอแค่ไหนส่วนลึกของหัวใจเข้ากันได้เพียงใดคู่ที่ใช่นั้นอย่างน้อยควรมองกันและการได้เต็มตาโดยไม่รู้สึกขัดแย้งหรือมีกระแสความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแม้ในช่วงแรกที่เพิ่งรู้จักกัน ก็ควรมีชั่วขณะหนึ่งที่มองกันเต็มตาแล้วเกิดความรู้สึกคุ้นเคยไม่เป็นอื่นนั่นเพราะอำนาจบุญเก่าที่ทำร่วมกันด้วยดีหรือภาวะคู่อันปลองดองในอดีตน่าจะช่วยตกแต่งกระแสตาให้ประสานกันสนิทเป็นมิตรและปราศจากความรู้สึกสะดุดแต่ถ้าคนเราไม่ยินดีสื่อสารกันการศบตาก็เป็นตัวบอกได้ระดับหนึ่งศบกันทีไรมีจุดสะดุด อยากหลบตากันหรือบางคู่ที่เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาแต่ปางก่อนแค่ศบตาก็ไม่สบอารมณ์ได้หรือกระทั่งอยากหาเรื่องกันแบบอันพานไร้เหตุผลได้ถ้าผู้ชายสู้ตาผู้หญิงไม่ได้เหมือนแพ้่อำนาจสายตากันอยู่ทั้งที่เธอก็ไม่ได้ตั้งท่าขู่แต่อย่างใดก็ขอให้เร่งตระหนักว่าโอกาสที่จะทําให้เธอเชื่อถือในเวลาต่อมานั้น ก็คงยากครับส่วนผู้ชายที่ทำตัวหน้าเกรงขามชอบส่งสายตาสะกดให้ใครต่อใครอยู่ใต้อำนาจนั้นถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆและเคยทำบุญมาก่อนอยู่ร่วมกันอย่างปลองดองมาก่อนก็จะเชื่องลงไม่มีรังสีคมขู่หรือผลักดันเหมือนตอนสบตากับคนอื่นผู้หญิงที่ไม่ชอบสบตากับผู้ชายอาจเป็นเพราะขี้อาย หรืออาจเป็นเพราะมีปมปัญหาทางเพศอันเป็นแผลทางใจถ้าคุณทําให้เธอสบตาด้วยไม่ได้ก็แปลว่ายัางพูดหรือแสดงพฤติกรรมให้เธอไว้ใจไม่ได้แล้วก็อย่าเพิ่งทักทักนะครับว่าถ้าผู้หญิงกลัวตาผู้ชายหมายความว่าจะไม่แผลงฤทธิ์ในภายหลังผู้หญิงที่ขี้กลัวบางคนบทจะเลือดขึ้นหน้าก็แปลงร่างจากแมวขี้อ้อนเป็นนางเสดอดำเอาได้ดื้อ ส่วนผู้หญิงที่ชอบทำตาดุบางทีอาจไม่ดุจริงเธอแค่จะดูว่าคุณเอาเธออยู่ไหมส่วนลึกของผู้หญิงที่ชอบทำตาดุจะโหยหาใครบางคนที่มานำเธอได้และเธอก็ใช้วิธีส่งกระแสตาขู่ฟ่อเป็นเครื่องมือค้นหาหากคุณพิสว่าเธอจริงๆก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยว่าจะหลุดความเป็นแมนไม่ได้อ่อนแอให้เธอเห็นไม่ได้ หรืออาจจะกระทั่งเก่งน้อยกว่าเธอก็ไม่ได้ด้วยถ้าหากทั้งชายและหญิงมีกำลังสายตาเสมอกันก็อาจสบตาแบบลองกำลังกันซึ่งถ้าเกิดขึ้นแค่หน2นสองหนนแล้วเลิกราก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาได้แต่หากสบกันแบบประสานงาทุกครั้งไม่เลิกก็อาจเป็นลางบอกเหตุได้ว่าอยู่กันไปจะไม่มีใครยอมใคร ตลอดจนมีสิทธิขยับขึ้นเป็นการทุ่มเถียงเอาแพ้เอาชนะหรือเอาเป็นเอาตายทีเดียวสรุปแล้วความสามารถในการคุยหรือแลกเปลี่ยนสื่อสารกันนั้นบอกอะไรได้มากกว่าที่หลายคนคิดขอเพียงคุณช่างสังเกตจะยกเรื่องใดมาเป็นประเด็นสนทนาหรือจะคุยเก่งแค่ไหนไม่สำคัญคุยไปเถอะ คุยมากๆจนกว่าจะรู้จักตัวตนของอีกฝ่ายจริงๆก็จะใช้เป็นเครื่องมือชี้ว่าใช่หรือไม่ใช่คนของคุณได้ครับความสามารถในการทำเรื่องดีๆร่วมกันรักแท้ไม่ได้ฝากไว้ที่กาย แค่เอากายมาผูกติดกันมันจุดได้แต่ไฟราคะส่วนไฟแห่งรักต้องจุดขึ้นด้วยจิตขอให้จังไว้แม่นๆว่ารักแท้จะอยู่คู่กับจิตใจที่สว่างสดใสเต็มไปด้วยกำลังวังชาและความเคลื่อนไหวที่ร่าเริงจิตที่สว่างสดใสนั้นเป็นภาวะทางธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งเราเรียกกันมาช้านานว่ากุศ ล, ลจิต กุศลจิตเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เกิดได้ดับได้ไม่ต่างจากเปลวเทียนเปลวเทียนมีเหตุให้เกิดกุศลจิตก็มีเหตุให้เกิดเช่นกันเปลวเทียนดับได้เมื่อหมดเหตุกุศลจิตก็ดับได้เมื่อหมดเหตุเช่นกันภาวะทางธรรมชาติที่ตรงข้ามกับกุศลจิตคืออกุศลจิตอกุศลจิตคือจิตที่มืดมน เกิดขึ้นด้วยเหตุและดับเพราะหมดเหตุเช่นกันรักแท้ไม่อาจยืนอยู่บนจิตที่มืดมนไร้เรียวแรงและเต็มไปด้วยความหดหู่เฉืยชาที่เราพูดกันในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดก็มุ่งประเด็นที่ว่าทำอย่างไรจะสร้างเหตุให้เกิดจิตที่สว่างสดใสร่วมกันระหว่างคุณและคนที่คุณรักนั่นเองคุณคงเคยได้ยินมานานว่า คู่แท้ที่มาพบและรักกันได้นั้นก็ด้วยอํานาจบุญเก่าที่เคยทำร่วมกันมาหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงยอมรับความจริงดังกล่าวแต่ยังจะจารณาให้เห็นด้วยว่าทำบุญแบบคู่รักเขาทำกันอย่างไรส่วนท้ายของบทนี้เรามาคัดคนกันด้วยความจริงที่ว่าคนที่ใช่ต้องพร้อมทำเรื่องดีๆร่วมกับคุณการทาอะไรดีๆร่วมกันได้ตั้งแต่ต้นจะมีความหมาย มากกว่าให้เกิดความประทับใจในช่วงแรกครบคือจะจุดชนวนความสุขใสสว่างให้กับจิตของกันและกันอีกด้วยวาทะความรักที่จะเดินมาแล้วใช่เลยนั้นไม่มีมีแต่ทำอะไรร่วมกันก่อนแล้วค่อยใช่ความบันเทิงร่วมกัน เคยลองนั่งคิดดูดีๆไหมครับว่าการอยู่ร่วมกันคืออะไรใจจริงนะ่ะคนเราชอบความบันเทิงครับก็หวังความบันเทิงนั่นแหละไม่มีใครอ ย, อยากอยู่กับคนแปลกหน้าเพราะปรารถนาภาระหนักหรอกและความบันเทิงร่วมกันระหว่างชายหญิงที่ธรรมชาติให้มาล่อใจก็คือเซ็กต์นี่แปลว่าเหตุผลง่ายๆของการหาคนแปลกหน้ามาอยู่ร่วมกัน คือคุณจะได้มีเซ็กกับเขาหรือเธอได้ทุกวันกระนั้นหรือเอาละมามองกันตามจริงให้เห็นเป็นภาพใหญ่กันเซ็กไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราต้องการหรอกขนาดบางคู่แทบไม่มีเซ็กกันพวกเขายังมีใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มเจิดจัดกันได้เลยมนุษย์เราหาคู่เพื่อแก้เหงาและเพื่อทำชีวิตให้เป็นไปตามที่ธรรมชาติสั่งมาคือสร้างบ้านดูแลบ้านสร้างลูกดูแลลูก ทำไปโดยไม่ต้องสงสัยว่าทำไปทำไมเพราะในไหนก็มีชีวิตแล้วหลีกหนีไม่ได้อยู่แล้วจนกว่าจะตายมองอย่างนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าคนเราอยู่ร่วมกันไม่ใช่เพื่อเอาตัวมาอยู่ใกล้กันแต่เพื่อทำอะไรด้วยกันทว่าในทางปฏิบัติแล้วบางคนประพฤตตนราวกับเชื่อว่าการอยู่ร่วมกันคือการเอาตัวมาอยู่ใกล้กันตามหน้าที่เฉย การอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงคือการทำความรู้จักตัวตนของกันและกันตัวตนของคนเรามีหลายแงม่มุมและคุณจะไม่มีทางรู้จักแต่ละแง่มุมของคนรักผ่านการบอกเล่าว่าเขาหรือเธอทำอะไรเป็นบ้างคุณต้องเห็นกับตาร่วมสนุกด้วยกับตัวจึงจะลงเอยเป็นความรู้จักกันดีจริงๆเมื่อคนเรารู้จักกันดี ก็จะยอมรับได้ถูกว่าตรงไหนเข้ากันได้ตรงไหนเข้ากันไม่ได้และความรู้จักกันดีนั่นเองทำให้ตกลงกันถูกว่าจะไม่ฝืนใจอยู่กับตัวตนด้านนี้แต่เลือกไปอยู่กับอีกตัวตนที่เข้ากันได้ของคนรักตัวตนที่เข้ากันได้คืออะไรคือตัวตนแบบเดียวกันเช่นถ้าคุณเป็นนักเทนนิสด้วยกันก็ยอมไปสู่สนามเทนนิส เพื่อมีความสุขสนุกสนานกับการหวดแรกเกตร่วมกันได้แล้วนั่นก็จะทำให้ใจคุณนึกถึงและอยากเจอกันอีกเรื่อยๆตัวตนที่เข้ากันไม่ได้คืออะไรคือตัวตนคนละแบบหรือเป็นปฏิปักษ์กันเช่นถ้าคุณผู้ชายชอบตกปลาแต่คุณผู้หญิงเกลียดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้คงเป็นที่รำคาญของกันและกันไม่อาจร่วมกิจกรรมเทือกนี้ด้วยกัน ซึ่งก็คงไม่ต้องเดาวนะครับถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตแล้วทำให้รู้สึกว่าตัวตนของคุณเป็นสิ่งน่ารำคาญคุณคงไม่อยากเจอเขาหรือเธอบ่อยนักเม<า>ื่อความจริงเป็นเช่นนี้คุณก็มองหาคนที่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้มากคือไม่ใช่ทำทุกอย่างได้เหมือนกันหมดนะครับแต่ขอให้ทำได้มากหน่อยการเลือกอยู่กับคนที่เข้าขากับคุณได้ในกิจกรรมหลากชนิด เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่มีสีสันไม่ซ้ำซากจำเจส่วนการเลือกอยู่กับคนที่ทำอะไรร่วมกับคุณได้ยากหรือกระทั่งชอบแต่กิจกรรมที่เป็นตรงข้ามกันย่อมเป็นลางบอกเหตุของชีวิตคู่ที่จะค่อยๆเหินห่างกันออกไปวันละคืบวันละศอกย้ำว่าสำคัญและจำเป็นครับอะไรก็ตามที่ทำได้ทั้งคู่เช่น เล่นเกมคอมพิวเตอร์ไปวิ่งออกกำลังไปร้องคาราโอเกะไปฟิตเนสไปเรียนทำขนมไปเข้าคอร์สโยคะหรืออื่นๆขอเพียงทำให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นเป็นดีทั้งนั้นเพราะถือว่าสามารถทำอะไรเป็นสุขร่วมกันได้แล้วอย่างที่กลืนไว้ก่อนนั่นแหละร่างกายที่เคลื่อนไหวและจิตใจที่แช่มชื่นเป็นสิ่งที่รักแท้ชอบ โดยเฉพาะถ้าร่างกายและจิตใจดังกล่าวได้มาจากการทำกิจกรรมร่วมกันถ้าไม่มีกิจกรรมใดที่ทำร่วมกันได้เลยก็อย่าเลือกมาเป็นคู่เด็ดขาดเพราะแปลว่าในส่วนลึกของพวกคุณไม่ได้ต้องการอยู่ร่วมกันแม้แต่น้อยถึงขนาดสร้างข้ออ้างว่าทำอะไรง่ายๆด้วยกันไม่ได้เลยสักเรื่องเดียว ศักยภาพในการทำบุญร่วมกันกิจกรรมที่ดีที่สุดในโลกมนุษย์คือการทำบุญเพราะการทาบุญด้วยความเลื่อมใสบริสุทธิ์คือการเพิ่มความสุขให้แก่จิตโดยตรงจิตที่มีความสุขจากบุญจะมีความรื่นเริงเหมือนเข้าร่วมงานฉลองที่น่าเพลินใจยินดี แต่ที่ดีกว่านั้นคือมีเกิดสติรู้ดีรู้ชั่วเห็นอะไรอะไรตามจริงได้ถนัดชัดเจนหมายความว่ายิ่งฐานของบุญหนาแน่นขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่ใจจะเป็นทุกข์และโอกาสจะทำอะไรพลังพลาดก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นผลอันมหสัสาร์ของบุญที่เห็นได้ทันตามีอยู่เช่นหากทำบุญด้วยความมีปีติสุขต่อให้เป็นคนโง่ทึบ ก็จะรู้สึกเหมือนฉลาดขึ้นชั่วขณะหรือต่อให้กำลังเศร้าจัดแทบอยากฆ่าตัวตายก็จะกลับรู้สึกดีขึ้นอย่างประหลาดจนอยากมีชีวิตต่อรามนสาบของสิ่งชั่วร้ายคลายลงพักหนึ่งกล่าวได้อีกอย่างว่าจิตที่มีคุณภาพนั่นแหละคือผลอันเป็นปัจจุบันแห่งบุญที่พิเศษสาหรับนักเลือกคู่ก็คือบุญเป็นเครื่องชี้ได้ว่าพอจะไปกันได้ไหม ถ้าทำบุญด้วยกันแล้วเป็นสุขทั้งคู่ก็เรียกไปกันได้แต่ถ้าทำบุญด้วยกันแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายก็ควรจะเข้าขายทางใครทางมันฉะนั้นอาศัยการทำบุญร่วมกันนี่แหละเป็นหนึ่งในเครื่องมือเลือกคู่คบใครอยู่ก็ให้ชักชวนไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆที่ไหนอย่างไรก็ได้อาจเป็นริมคลองใกล้บ้าน เพปล่อยนกปล่อยปลาอาจเป็นสถานสงเคราะห์ผู้ได้โอกาสเพื่อทำให้พวกเขามีเสื้อผ้าดีๆใส่ซักชุดหรืออาจเป็นวัดที่มีพระดีเพื่อนำของจำเป็นในการดำรงชีพไปถวายพวกท่านถ้าทำครบวงจรทั้งสงเคราะห์สัตว์ทั้งให้ความอนุเคราะห์คนยากไร้กับทั้งถวายทานแ ด, ด่สงอย่างนี้ไม่กี่ครั้งก็จะรู้ผลละครับ หากพวกคุณเป็นคู่บุญกันมาบุญใหม่จะเป็นตัวอย่างให้เข้าใจว่าการจะอยู่กับใครสักคนอย่างมีความรักมีความสุขมีความเข้าใจก็ต้องด้วยการร่วมกันทำอะไรดีๆทำนองนี้และไม่ควรน้อยไปกว่านี้ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะการทาบุญเป็นสิ่งมีอาถรรพหากเคยร่วมบุญกันไว้มากกว่าร่วมบาบุญเก่าจะพยายามรักษาเส้นทางเดิมของตนไว โดยช่วยสนับสนุนให้รู้สึกดีตลอดจนขจัดปัดเปล่าอุปสรรคทั้งมวลในวันทาบุญออกไปเมื่อทาบุญได้สำเร็จตามความตั้งใจจึงบังเกิดความเบิกบานร่วมกันเต็มที่เป็นกำลังใจให้รู้สึกว่าสามารถร่วมทำอะไรดีๆ ด, ด้วยกันต่อได้อีกแต่หากพวกคุณเป็นคู่เวนกันมาก่อน บาปเก่าจะตัดหน้ามาเป็นมารขวางไม่ให้ได้ทำบุญกันอย่างราบรื่นโดยอาจแทรกแซงด้วยสารพัดวิธีที่นึกไม่ถึงและไม่ทันเตรียมตั้งตัวรับได้ถูกเช่นอยู่ดีๆก็แกล้งดนใจให้หงุดหงิดง้องแง้งใส่กันจนรุ่มร้อนไปหมดบันทอนความเชื่อมั่นว่าจะอยู่กันได้ตลอดรอดฝั่งไม่กี่ครั้งคุณจะนึกเข็ดขยาดไม่อยากทำบุญด้วยกันอีก หรือหนักกว่านั้นบางคู่อาจนึกรังเกียจกันและกันไปเลยที่รังเกียจก็เพราะความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางทำบุญจะปรากฏเสมือนร่องรอยน่าเกลียดบนผ้าขาวหรือรอยแผลเป็นบนหน้าผากสะอาดย่อมน่ารังเกียจกว่าปกติเพราะถูกขับให้เห็นเด่นชัดเหลือเกินตรงนี้ถ้าคิดในทางดีก็คือบุญใหม่ช่วยสงเคราะห์พวกคุณ โดยการส่งสัญญาณเตือนให้รีบถอยเซตก่อนจะสายเกินกว่านี้สรุปคือน่าสนับสนุนให้คู่ที่กำลังเริ่มเริ่มดูใจกันไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆ ย, ยิ่งเริ่มทำกันได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ดำรู้แดงเร็วขึ้นเท่านั้นย้ำว่าต้องหลายครั้งนะครับดูกันครั้งเดียวไม่พอคู่ที่ทำบุญขึ้น จะมีจิตสว่างสดใสไปด้วยกันยิ่งขึ้นเรื่อยๆภูพื้นยืนของรักแท้ให้เป็นปึกแผ่นขึ้นทุกทีครับทิ้งท้ายหวังว่าบทนี้คงลบความคิดเดิมๆที่ว่าคู่แท้หมายถึงคนที่ตรงตามสเปคเจอปุ๊บทุกอย่างลงตัวปั๊บไปหมดตรงข้ามคนที่คุณหมายมั่นป้านมือว่าต้องเอาให้ได้ แท้จริงอาจเข้ามาเพื่อเล่นเกมจองเวนกันต่อเท่านั้นเมื่อคุณมีสเสน่ห์และเจอคนที่ใช่ก็แทบประ ก, กันได้ตายตัวว่าความรักอยู่ที่นั่นแล้วจุดสำคัญข้อต่อไปคือพอความรักอยู่ในมือคุณจะรักษาไว้ไม่ให้หลุดหายไปได้อย่างไร